ว, นนวันนี้วันตรุษ จ, จีนคงไม่ถึงขนาดต้องฟังเทศภาษาจีนเนาะ <c oughs> น, นีโยมน้อยหน่อยก็ยังชั่วนะเยอะๆพูดยากใจเรามันเหมือนนักเรียนหลายๆหลายๆชั้นน่ะมันนั่งเรียนพร้อมๆกันมันเรียนยากแต่ว่าไม่ว่านักเรียนชั้นไหนนะ ภาวนาจะระดับไหนก็ตามนะธรรมะที่หลวงพ่อสอนนะี่ไม่ใช่เป็นธรรมะที่เป็นกลางๆทุกชั้นเรียนได้เหมือนกันหมดนะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นนักเรียนชั้นไหนก็ต้องเจริญสติต้องมีสติตั้งแต่เบื้องต้นเลยนะจนถึงการภาวนาจนถึงขั้นที่จะแตกหักหก็เป็นเรื่องของสติสตินี่เป็นเครื่องมือสำคัญมากเลยในการที่จะคอยรู้ตัวเอง เราจะรู้ระลึกรู้กายระลึกรู้ใจนะเครื่องระลึกรู้กายระลึกรู้ใจตัวเองก็ここ years, คือสตินั่นเองคนในโลกนี้ไม่มีสตินะไม่มีสติสติในความหมายของหลวงพ่อเนี่หมายถึงตัวสัมมาสติเพราะมีสติอย่างโลกโลกทำงานได้เรียนหนังสือได้นะพูดรู้เรื่องเดินไม่ตกถนนอะไรก็ว่ามันมีสติแต่สติที่หลวงพ่อต้องการพูดถึงเนี่ยเรียกว่าสัมมาสติเป็นเครื่องระลึกรู้กายระลึกรู้ใจตัวเอง ทำไมเราต้องมารู้กายรู้ใจตัวเองเพราะกายกับใจนี่แหละเป็นตัวทุกข์กายกับใจเป็นที่ตั้งของความทุกข์ถ้าเราเรียนรู้กายเรียนรู้ใจนะมีสติเป็นเครื่องรู้กายรู้ใจเนืองๆด้วยจิตที่มีสมาธิจิตที่มีสัมมาสมาธิคือจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตมันเป็นคนดูสติมันรู้กายมันรู้ใจไปในขณะที่สติรู้กายรู้ใจใจตั้งมั่นอยู่ใจไม่ถลําลงไปดู นักปฏิบัติเกือบทั้งหมดเลยนะใจชอบถล่มลงไปใจไม่ตั้งมั่นเวลารู้ลมหายใจจิตก็ไหลลงไปอยู่ที่ลมหายใจเวลารู้ท้องพองยุบจิตก็ไหลไปอยู่ที่ท้องเวลาเดินจงกรมนะจิตไหลไปอยู่ที่เท้าขยับมือทําจังหวะเนี่ยจิตไหลไปอยู่ที่มือรู้อิริยาบถสี่นะเพ่งมันทั้งตัวเลยจิตไหลไปเกาะร่างกายทั้งร่างกายอันนี้ที่พวกเราภาวนาแล้วมันไม่เกิดมากเกิดผล มันได้แต่การเข้าไปเพ่งเพ่เพนะสติจ่อเข้าไปในกายสติจ่อเข้าไปในใจเกิดแต่อาการของสมถะเกิดแต่อาการของสมถะเช่นเราเดินจงกรมนะเดินไปเรื่อยๆรู้สึกตัวเบาตัวลอยตัวโครงตัวเล็กตัวใหญ่รู้สึกขดลุกรู้สึกพู้บพบบ้าๆเหมือนฟ้าแลบแลบแบแล บ, แ บ, แบนี่เป็นอาการของสมถะทั้งสิ้นเลย ถ้าเรามีแต่สติเราจ้องเอาจ้องเอานะเพ่งลงในกายเพ่งลงในใจเพ่งอารมณ์เอาสติไปเพ่งตัวอารมณ์นีะเป็นสมถะนั้นตัวสําคัญที่พวกเราต้องพัฒนาขึ้นมานอกจากตัวสติแล้วก็คือตัวสัมมาสมาธิหลวงพ่อพูดเรื่องตัวสติไปเยอะนะเรื่องตัวสติพูดบ่อยสติเกิดจากจิตจําสภาวะได้เราหัดดูสภาวะไปเรื่อยๆแล้วสติเกิดคนไหนตามไม่ทันเอาซีดีไปฟังเอาเองนะพูดเยอะแยะเลย ตัวสมาธิเนี่ยจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยตัวนี้หลายคนไม่เข้าใจคำว่าจิตที่ตั้งมั่นนึกว่าจิตที่ตั้งแบบแข็งกระดา้างแข็งแข็งเนี่ยนึกอย่างนี้นะนึกว่าตั้งมั่นอย่างนี้ไม่ใช่จิตตั้งมั่นนะมันเป็นจิตที่แขนะ็งกระด้างจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยหมายถึงเป็นจิตที่รู้เนื้อรู้ตัวอยู่มีความอ่อนโยนนะมีความเบาถ้าหนักหนักแน่นแน่นแข็งแข็งใช้ไม่ได้เลยไม่ใช่ จิตที่มีสัมมาสมาธิจริงๆจิตที่มีสัมมาสมาธิมันจะเบาๆนะมันไม่ใช่เบาวิวนะแต่มันเบาแบบมันไม่มีภาระมันสบายมันมีความอ่อนโยนมีความนุ่มนวลไม่มีกิเลสไม่มีนิวรณคลับงากระทั่งความอยากปฏิบัติยังไม่มีเลยความอยากปฏิบัติก็เป็นกิเลสนะจิตที่มันมีสัมมาสมาธินี่มันว่องไวไม่ซึมไม่ทื่อนะถ้าไปนั่งแล้วก็ซึม อย่างนี้ไม่ใช่นะนี่มิจฉาสมาธินะสัมมาสมาธิเนี่ยจิตจะเบาจิตจะอ่อนจิตจะนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวจิตจะสามารถรู้สภาวธรรมทั้งหลายตรงตามความเป็นจริงรู้ได้อย่างซื่อซื่อรู้แล้วไม่เข้าไปแทรกแซงจิตจะตั้งมั่นสักว่ารู้สักว่าเห็นอยู่ถ้าเรามีจิตชนิดนี้และปัญญามันถึงจะเกิดถ้าเราไม่มีจิตที่เป็นสัมมาสมาธิที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะถึงเอาสติไจิจ่อ เข้าในกายในใจมันได้แต่สมถะมันไม่เกิดปัญญาแต่ถ้าจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ต่างหากนะเห็นร่างกายนี้หายใจเข้าร่างกายหายใจออกจิตเป็นคนดูอยู่เห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นคนดูอยู่นะเห็นท้องพองยุบจิตเป็นคนดูอยู่เห็นยกเท้าย่างเท้าอะไรนี้จิตเป็นคนดูอยู่ต้องแยกรูปกับนามออกจากกันให้ใจมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่หลายคนเข้าใจผิดในการปฏิบัตินะอย่างไปรู้ลมหายใจเนี่ย ไปเพ่งใส่ลมหายใจตั้งใจให้รู้แต่ลมหายใจอย่างเดียวไม่ให้รู้อย่างอื่นการตั้งใจให้รู้อันใดอันหนึ่งเนี่ยไม่ให้รู้อย่างอื่นมันเป็นการบิดเบือนความเป็นจริงในความเป็นจริงก็คือในสภาวะแต่ละสภาวะที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะแต่ละขณะที่เกิดขึ้นมีสภาวะธรรมจานวนมากไม่ใช่ไปเลือกเอาอันใดอันหะนึ่งนะงนั้นอย่างเวลาที่เรารู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยถ้าเราจงใจบิดเพ่งใส่ลมรู้แต่ลมอย่างเดียว มันส่งเสริมอัตตานะไม่ใช่จะเห็นอนัตตามันจะรู้สึกว่ากูเก่งกูเก่งกูบงังคับจิตของกูได้หรือจะไปเพ่งใส่ท้องอันเดียวนะท้องพองยุบรู้หมดเลยนะแ ต, แต่ว่าจิตใจของตัวเองเนะี่ยลืมมันไปละไม่มีรูปมีแต่รูปไม่มีนาม เ, นเพ่งเอาเพ่งเอานะอันนี้จะส่งเสริมอัตตาไม่ใช่เห็นอนัตตาเพราะในแต่ละสภาวธรรมเนี่ยในแต่ละขณะเนี่ยมีสภาวธรรมจํานวนมากเกิดขึ้น แล้วก็เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวไปเห็นรูปมันเคลื่อนไหวไปในขณะเดียวกันก็มีใจเป็นคนดูอยู่นะมีใจเป็นคนดูเราจะเห็นเหมือนเห็นคนอื่นกําลังยืนเดินนั่งนอนเห็นคนอื่นหายใจเข้าหายใจออกไม่ใช่เห็นตัวเรายืนเดินนั่งนอนนะใจที่ตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยมันจะทําให้เห็นสภาวธรรมตรงตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาในจิตที่มีสัมมาสมาธินี่เป็นจิตที่สําคัญมาก ถ้าปราศจากสัมมาสมาธิแล้วปัญญาจะไม่เกิดเมื่อสองสามปันก่อนมีพระองค์หนึ่งท่านเป็นพระผู้ใหญ่นะท่านเข้าไปเยี่ยมหลวงพ่อที่วัดที่เมืองเมืองชนท่านก็ไปเล่าว่าท่านอยู่ในป่าแล้วท่านก็รู้อะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะแต่ทั่งเสียงของสัตว์เนี่ยท่านฟังได้ของเราก็ฟังเสียงสัตว์ได้ใช่ไหมแต่ท่านแปลได้ของเราก็ฟังได้นะ เสียงสัตว์ตุกแกร้องเราก็รู้นะแต่เราไม่รู้ว่ามันร้องว่าอะไรเนี่ยท่านทำสมาธิเยอะท่านรู้ท่านบอกท่านรู้อะไรก็อะไรรู้เยอะแยะเลยวันหนึ่งไม่สบายมากเป็นมาเรียท่านก็นอนดูร่างกายเนี่ยมีใจอยู่ต่างหากด้วยนะนนขนาะมีใจอยู่ทงหากนันใจแล้วก็ไปดูเห็นร่างกายมันเจ็บป่วยดูกายดูเวทนาไปเสร็จแล้วดูไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งความรู้สึกเนี่ย รูปเวทนาดับนะหายนะหายเจ็บหายป่วยไปได้แต่ท่านสงสัยว่าท่านดูลงไปในกายดูลงไปในเวทนาอะไรเนี่ยก็ไม่เห็นว่ามันเป็นตัวเป็นตนแต่ทําไมจิตไม่เกิดอริยามรรคจิตไม่ตัดทําไมไม่เกิดอริยามรรคที่จิตมันไม่ตัดเพราะว่าจิตไม่ตั้งมั่นในขณะที่รู้กายเนี่ยจิตไหลไปอยู่กับกาย ในขณะที่รู้เวทนานะจิตถลำลงไปแช่อยู่กับเวทนาจิต ท, ที่ถลำลงไปเนี่ยมันจะไม่มีกําลังไม่มีแรงที่จะตัดสินความรู้เพราะว่าอะไรเพราะาสัมมาส ม, มาธิคือจิต ท, ที่ตั้งมั่นเนี่ยเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญานะถ้าเกิดปัญญาขึ้นมาแท้ๆเราถึงจะระวางความยึดถือในกายในใจลงไปถ้าใจไม่ตั้งมั่นเนี่ยจะไม่ตัดหรอกจะไปดูก็เห็ น, เ, นเกิดดับนะเห็นเกิดดับไปอย่างนั้นแต่ใจไม่มีกําลังมันถลำลงไป ดังนัใจที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนี่สำคัญมากนี่วิธีทำยังไงใจของเราจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูมันทำได้หลายอย่างอันแรกเลยทำสมถะทาสมถะจะเราจะหัดพุทโธก็ได้หัดหายใจก็ได้นะหัดไปหัดอะไรก็ได้ซักอย่างหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่ไปหายใจเลื่อนลอยไปเรื่อยๆเคลิ่มๆอย่างที่เคยทำกันเราหัดหายใจไปแล้วเราค่อยๆทำความรู้สึกขึ้นมา ให้เห็นร่างกายนี้กําลังหายใจอยู่ใจเป็นคนดูก็ อ, อย่างนี้นะหรือเห็นท้องพองยุบแปกค่อยรู้สึกขึ้นมาท้องมันฟองท้องมันยุบไปใจเป็นคนดูค่อยๆรู้สึกอย่างนี้ค่อยๆแยกออกมาแยกตัวผู้รู้ออกมาแต่ถ้าใครทำทำแบบนี้เป็นวิธีขี้โกงนะถ้าใครเก่งๆ ก, ก็ทําตามสูตรเลยนะหายใจเข้าหายใจออกไปไม่ต้องสนใจตัวผู้รู้ก่อนนะแต่อย่าให้ขาดสติ มีสติรู้ลมหายใจไปมีใจเป็นคนดูไปอย่างสบายๆดูอย่างสบายอย่ า, ยาไปเพ่งใส่มันนั่ต้องเรียนก่อนว่าเพ่งเป็นยังไงถ้าใจเราถล่มโอยเพ่งอย่างนี้นี่ตัวผู้รู้ไม่มีหรอกมีแต่ผู้เพ่งไม่ใช่ผู้รู้ผู้รู้มันเหมือนเรายืนอยู่บนตึกนะตึกสูงๆนี่เรามองลงมาที่ถนนเห็นรถยนต์วิ่งเยอะแยะเลยเราไม่ได้ไปยืนกลางถนนหรือเหมือนอย่างเราดูฟุตบอลเราดูอยู่ข้างสนามดูอยู่บนอัศจรรย์ไม่ได้โดดลงไปอยู่กลางสนาม ส่วนใหญ่จะโดดลงไปกลางสนามนะเวลาไปรู้อะไรงั้นเราเราจะมาพุโทโธเราก็พุโทโธไปสบายๆพุโทโธไปนะพุโทโธไปหรือหายใจไปก็ได้นะถ้าหายใจก็จะเข้าถึงสมาธิที่ประณีตพุโทโธก็ได้แต่สมถะแค่อุปจาระได้นะ แ, แค่สงบนิดหน่อยถ้าเราหายใจเข้าหายใจออกหายใจสบายๆหายใจออกก่อนนะอย่าหายใจเข้าก่อนนะฝึกอนาปนาสติให้หายใจออกก่อน ในพระสูตรก็สอนไว้อย่างนั้นบอภิกษุทั้งหลายให้คู่บรนลังคู่บรนลังคือนั่งกัดสมาธิตั้งกายตรงดํารงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวให้ใจออกหายใจออกก่อนเนี่ยใจมันจะเบาใจมันจะอ่อนโยนใจมันจะนุ่มนวลถ้าหายใจเข้าก่อนใจมันจะแข็งแข็งแข็งกระด้างแข็งแล้วภาวนาต่อยากแล้วนั่นหายใจออกให้สบายนะให้ผ่อนคลายหายใจ พอใจผ่อนคลายแล้ใจมันจะสงบใจมันสบายพอจิตใจสบายเรารู้ลมหายใจลมหายใจตัวลมหายใจเรียกว่าบริกรรมนิมิตเรารู้ลมหายใจไปนานไปนะใจจ่ออยู่ที่ลมอย่างสบายๆเคล็ดลับอยู่ที่สบายนะเรารู้อย่างสบายๆ บ, บริกรรมนิมิตคือลมหายใจมันจะเปลี่ยนสภาพเป็นแสงสว่างเรารู้สึกมันเป็นแสงสว่างเป็นเส้นเป็นเกลียวนะแสงสว่างของลมที่เรียกว่าอุขะหานิมิต เรารู้อุขะหานิมิตรู้แสงสว่างนี้ไปรู้ไปเรื่อยๆมันจะรวมขึ้นมาเป็นดวงเป็นดวงแก้วดวงกลมๆดวงสว่างตัวนี้เรียกว่าปฏิภาคนิมิตถึงจุดนี้เราก็ทิ้งลมหายใจนะมารู้ปฏิภาคนิมิตเป็นอารมณ์หายใจไปนะ่ะไม่ได้หยุดหายใจหรอกแต่ว่ามารู้ปฏิภาคนิมิตรู้ดวงนี้ดวงนี้ย่อดได้ขยายได้เนี่ยเล่นไปเล่นมานะ่ะจิตใจมันสนุกมันมีปีติขึ้นมามีปีติมีความสุขขึ้นมา จิตจะเข้าฌานจิตจะเข้าฌานอันนี้สำหรับคนที่ทำได้เต็มภูมพอเข้าฌานที่หนึ่งก็มีปีติมีความสุขใจเป็นหนึ่งต่อมาสติปัญญามันแก่กล้าขึ้นไปอีกมันเห็นว่าปีติก็ของหวือหวานะปิติก็ของหวือหวาดับปีติลงไปนีจิต ท, ที่จะเกิดตัวผู้รู้เนี่ยเป็นจิต ท, ที่ในฌานที่สองจิตในฌานที่สองเนี่ยดับวิตกวิจารดับการตรึกถึงตัว นิมิตนั้นแล้วนะจิตมันทรงตัวอยู่โดยที่ไม่ได้จงใจไปรู้นิมิตอีกต่อไปแล้วไม่ต้องไปรู้ดวงสว่างหรือลมหายใจอีกแล้วแต่มันสงบอยู่โดยตัวของมันเองนะเนี่ยจิตตรงนี้มันจะเกิดสภาวะธรรมอันหนึ่งเรียกว่าเอโกทิภาวะภาวะแห่งความเป็นหนึ่งขึ้นมาจะเกิดตัวผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาถ้าได้ตรงนี้แล้วนะถ้าก็ดูปีติไปก็เห็นปีติก็เกิดแล้วก็ดับไปนะ เห็นความสุขขึ้นมาจิตดูในฌานที่สามดูในความสุขเขาปี ก, ก็เห็นความสุขเกิดแล้วก็ดับไปจิตเข้าอุเบกขาได้ฌานที่สี่ถึงตรงนี้มันจะเหมือนไม่หายใจเหมือนเราหายใจด้วยผิวหนังแล้วนี่พอจิตถอยออกจากตรงนี้นั่งกลับมาสู่โลกภายนอกเนี่ยอํานาจของสมาธิมันยังจะหล่อเลี้ยงตัวเลี้ยงตัวตั ว, ตวผู้รู้ไว้อีกพักหนึ่งใจมันจะเด่นดวงขึ้นมาเป็นตัวผู้รู้ผู้ดูให้เอาใจที่เด่นดวงเป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยมารู้กาย เห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจใจจะเป็นคนดูอยู่เนี่ยหยุดดูอยู่ยได้เป็นวันๆเลยแนละ้วก็กําลังของสมาธิเยอะนี่ถ้าคนไหนทําตามรูปแบบเต็มขั้นเต็มภูมิของสมาธิอย่างนี้ไม่ไหวก็ใช้วิธีขี้โกงเอาอย่างที่หลวงพ่อว่านะหัดดูเอาหายใจเข้าหายใจออกนี่ยังไม่ต้องมีนิมมงค์นี้มิตอะไรหรอกหายใจไปเรื่อยๆเนะี่ยแล้วคอยสังเกตใจของเรานะสังเกตดูร่างกายมันหายใจใจของเราอยู่ต่างหากนะใจของเราเป็นแค่คนดูนะหรือใจมันคิด เราก็เห็นอีกความคิดอยู่ต่างหากนะใจเป็นคนดูเห็นความคิดเกิดขึ้นดับไปนี่ใจตั้งมั่นเป็นคนดูเห็นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นหรือความปวดความเมื่อยเกิดขึ้นดูลงไปความปวดความเมื่อยก็เป็นของถูกรู้ถูกดูกใจเป็นคนดูนี่ฝึกอย่างนี้มันก็ได้ตัวผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาเหมือนกันแต่กำลังมันจะไม่ต่อเนื่องยาวนานเหมือนคนที่เขาเล่นฌานแต่พวกเราส่วนมากทาไม่ได้นะเราได้แค่นี้ก็บุญถมไปแล้ว แต่แค่นี้ก็ปูนถมไปแล้วหลวงพ่อเองแต่ก่อนฝึกสมาธินะตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เจ็ดขวบทําได้แต่สมถะแต่พอไปได้ยินคําสอนของหลวงปู่ดูลบอกให้ดูจิตตัวเองลืมสมถะไปชั่วคราวเลยมาสังเกตเลยนะร่างกายนี้จิตมันอยู่ในผมไหมจิตอยู่ในขนในเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไหมดูลงไปเห็นผมก็อยู่ส่วนหนึ่งนะผมไม่มีจิตเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกก็ไม่มีจิตนันค่อยๆแยกไป ความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ก็ไม่ใช่จิตเป็นของที่ถูกรู้ถูกดูเนี่ยพอเห็นว่าอะไรอะไรก็ถูกรู้ถูกดูกระทั่งความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายก็ถูกรู้ถูกดูใจมันก็ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาเนี่ยเรามีสัมมาสมาธิแล้วมีใจที่ตั้งมั่นแล้วพอเรามีใจที่ตั้งมั่นเนี่ยนะอะไรแปลกปลอมเข้ามาในกายนะสติระลึกได้อย่างรวดเร็วอะไรแปลกปลอมเข้าในจิตสติระลึกได้อย่างรวดเร็วเลยระลึกปับ๊บปัญญามันเกิดมันจะเห็นลักษณะ สติเน e ี่ยเป็นต no anyway. ัวรู้สภาวะรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นในกายในใจปัญญาเป็นตัวรู้ลักษณะรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นล้วนแต่ของไม่เที่ยงสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นทุกข์สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนนี่เป็นหน้าที่ของตัวปัญญาไม่ใช่หน้าที่ของตัวสตินะสติเป็นแค่คนรู้เท่านั้นว่าอะไรเกิดขึ้นเหมือนกับเป็นยามเฝ้าประตูคนเดินผ่านเข้ามาในบ้านเรานี่ยามมองเห็นในบริษัทเรายามมองเห็น แต่คนนี้จะดีหรือจะร้ายเนี่ยเป็นหน้าที่ของคนอื่นวินิจฉัยเอานั่นคือหน้าที่ของปัญญางั้นสติเป็นตัวระลึกรู้สภาวะปัญญาเป็นตัวรู้ลักษณะเช่นความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยพราะใจของเราตั้งมั่นสบายๆอยู่นะอยู่ๆใจเราก็โผล่หน้าของคนหนึ่งโผล่ขึ้นมาสัญญามันทํางานผุดขึ้นมาทั้งๆ ท, ที่เราไม่ได้เห็นคนนี้มา10ปีแล้วอยู่ๆหน้าคนนี้ก็โผล่บุ๊ปขึ้นมาใจเราก็ตรึกขึ้นมาเลยโกรธเลย ให้คนนี้เคยมาแย่งแฟนเราสมมตินะหรือมันเคยโกงโกงเงินเราใจมันโกรธขึ้นมาปั๊บสติระลึกได้เลยว่าความโกรธเกิดขึ้นแล้วนี่สติมีหน้าที่ระลึกนะถ้าใจตั้งมั่นอยู่สักว่ารู้สักว่าดูมันจะเห็นเหมือนความโกรธเดินผ่านหน้าบ้า น, นความโกรธไม่ได้เข้ามาในจิตในใจเรานะความโกรธเดินผ่านหน้าบ้านเราเท่านั้นเองเดินผ่านมาแล้วก็เดินผ่านไปนสติ เป็นตัวระลึกได้ว่าความโกรธเกิดขึ้นแล้วใจตั้งมั่นสักว่า ร, ารู้สักว่าดูอยู่ความโกรธไม่เข้ามายอมใจนะไม่ยอมจิตยอมใจปัญญามันก็เห็นเลยความโกรธนี้ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนไม่ใช่เราไม่ใช่เขานะความโกรธก็คือสภาวธรรมอันหนึ่งไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่กนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเห็นไห ม, มันถอดถอนความเห็นผิดออกไปเราตลอดเวลาที่ผ่านมาเราสะสมแต่ความเห็นผิดนะว่ามีเรามีเขามีสัตว์มีคนนะตามองเห็นก็เห็นคนเห็นสัตว์เห็นเราเห็นเขา หูได้ยินเสียงก็เสียงคนเสียงสัตว์เสียงเราเสียงเขามีเรามีเขาตลอดเวลาแต่พอมีสติแต่เราลึกรู้สภาวะมีปัญญาเข้าใจลักษณะจะเห็นว่าไม่มีคนไม่มีสัตว์อย่างร่างกายเนี่ยถ้าเรามีใจตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูเราจะเห็นเลยร่างกายที่ขยับขยืนนี้มันไม่ใช่ตัวเรานะจะเห็นทันทีเลยมันไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุนะลองจับดูยิ่งจับดูยิ่งรู้ชัดนะเหมือนท่อนอะไรท่อนหนึ่งแข็งแข็งเท่า น, นั้นเอง เหมือนท่านอะไรท่านหนึ่งซึ่งมันจะไม่รู้สึกว่าเป็นเราเลยสักนิดเดียวนะแต่ถ้าใจของเราไม่ตั้งมั่นจับลงไปมันจะรู้สึกว่านี่เรานี่เราดังนั้นใจต้องตั้งมั่นนะปัญญาถึงจะเกิดพอปัญญาเกิดมันจะเห็นว่ามันไม่มีเราไม่มีเขาดังนั้นตัวสัมมาสมาธินี่ตัวสําคัญนะถ้าขาดสัมมาสมาธินี่อริยมรรคจะไม่เกิดขึ้นสติตัวนั้นก็ไม่ใช่สัมมาสติแท้เป็นสติไปเพ่งไปจ้องถะเป็นส่วนใหญ่ ถ้าสัสมมาสติแท้ๆมันจะเกิดร่วมกับสัมมาสมาธิคือใจมันจะตั้งมั่นเกิดร่วมกับสัมมาทิฏฐิคือตัวปัญญาจะทำงานร่วมกันไปอย่างนี้นี่หลวงพ่อพูดเรื่องสติไปเยอะแล้ววันนี้เลยพูดเรื่องสมาธิบ้างพวกเราฟังหลายๆแง่หลายๆมุมพระองค์ทมที่เราจะใช้เดินไปข้างหน้านี้มีอยู่หลายตัวตัวปัญญาก็เป็นเรื่องน่าศึกษานะตัวปัญญาปัญญามันมีหลายแบบ ปัญญาที่เกิดจากการคิดการนึกการอ่านการฟังนี่ปัญญาอย่างนี้มันอาศัยการคิดขึ้นเอาเองบ้างอาศัยประสบการณ์ของคนอื่นเขาถ่ายทอดให้บ้างอย่างปัญญาเกิดจากการอ่านการฟังเนี่ยอย่างพวกเรามาฟังหลวงพ่อพูดมาอ่านหนังสือที่หลวงพ่อเขียนเนี่ยมันไม่ใช่ปัญญาแท้ๆของพวกเรามันปัญญาหลวงพ่อต่างหากเราเราอ่านแล้วเราได้อะไรกลับไปเราไม่ได้ปัญญานะเราได้ความจํา เราได้แค่ความจำนะไม่ใช่ปัญญาอย่าเอาความจำไปเป็นปัญญานะคกละโลกกันเลยจำเก่งไม่จำเป็นว่าจะมีปัญญานะปัญญาคือความเข้าใจลักษณะเราจะเข้าใจได้เราต้องเห็นจริงๆด้วยใจที่ตั้งมั่นจริงๆปัญญาอีกอย่างหนึ่งเกิดจากการคิดเอาตรึกตรองเอาเองปัญญาที่เกิดจากการคิดก็เชื่อไม่ได้เพราะเราคิดผิดก็ได้คิดถูกก็ได้มันมีอีกปัญญาหนึ่งปัญญาเกิดจากการสังเกตการ ทำ ต, ตัวเป็นแค่ผู้สังเกตการคือเราเป็นผู้รู้ผู้ดูนั่นเองใจของเราเป็นคนดูสังเกตการลงในกายสังเกตการลงในจิตใจหรือดูมันไปเรื่อยๆจนเห็นความจริงของกายของใจนี่ปัญญาตัวนี้ตัวสําคัญนะนะเรียก ว, ว่าภาวนามยาปัญญาเป็นปัญญาจากการตามรู้ตามดูตามสังเกตเอาแล้วนะปัญญาตัวนี้ถึงจะเชื่อได้นะแต่ก็ไม่ได้มีเอาไว้ยึดถือเอาไว้โต้เถียงกันเอาไวล้ละกิเลสหอกเอาไวล้ละกิเลสในใจเราธรรมะไม่ได้เอาไว้เถียงกันเล่นนะ นี่ปัญญามันเกิดจากอะไรนี่ก็ต้องเรียนเหมือนกันนะปัญญามันเกิดจากสัมมาสมาธิใจตั้งมั่นแล้วเป็นคนดูนั้นเวลาดูกายกับดูใจนี่วิธีดูก็ต่างกันนี่ก็ต้องเรียนอีกวิธีดูกายเนี่ยรู้ลงปัจจุบันไปเลยอย่างเราสัมผัสเนี่ยรู้สึกลงไปนั่งว่างๆไม่มีใครเห็นก็ลองนั่งรูปรูปเล่นนะรู้สึกไหมนี่มันท่อนอะไรท่อนหนึ่งรู้สึกไหมมันมันบอกไหมว่ามันเป็นมือ มันบอกไหมว่ามันเป็นแขนมันบอกไหมว่ามันเป็นคนมันไม่ได้บอกเลยนะเราโมเมพูดเราเองเท่านั้นเลยนี่มันไม่เคยบอกเลยว่ามันมันเป็นแขนเป็นมือที่จริงมันเป็นอะไรมันเป็นก้อนแข็งแข็งเป็นท่อนแข็งแข็งลักษณะของท่อนที่แข็งแข็งเนี่ยถ้าพูดตามตำราก็คือมันเป็นธาตุนั่นเองธาตุดินธาตุที่มันแข็งแขงเนี่ยแต่จับลงไปรู้สึกไหมอุ่นๆเนี่ยมือไอ้แขนยังอุ่นๆนะมือเย็นๆอย่างเงี้ยนี่ธาตุไฟนะธาตุไฟ ธาตุไฟตรงนี้เยอะหน่อยตรงนี้น้อยหน่อยอย่างเงี้ยแต่ละที่ก็ไม่เท่ากันมันไม่ใช่คนมันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเนี่ยการรู้กายรู้ลงปัจจุบันไปอย่างนี้นะหรือเรายืนเราเดินเรานั่งเรานอนเราคอยรู้สึกไปเลยไอ้ตัวที่ยืนอยู่ตัวที่เดินอยู่ตัวที่นั่งอยู่ตัวที่นอนอยู่มันไม่ใช่ตัวเราหรอกะมันเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าหัดดูไปอย่างนี้นะดูไปเรื่อยๆสังเกตอีกไอ้ตัวก้อนเนี่ยมันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็เมื่อยเดี๋ยวก็เจ็บนะเดี๋ยวคัน เดี๋ยวหิวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวกระหายเดี๋ยวปวดอือปวดฉี่นะนานๆก็เจ็บไขห้หนักๆขึ้นมาสักทีหนึ่งถึงจุดสุดท้ายก็เจ็บหนักตายขาที่เลยนะเนี่ยร่างกายถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาร่างกายจริงๆเป็นก้อนธาตุนี่เห็นความจริงของมันไหลแง่ไหลายมุมนะในแ ง, ขง่อแงของมันเป็นก้อนทุกข์ก็ได้ในแง่ของมันเป็นก้อนธาตุก็ได้ในแง่ของมันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนก็ได้เนี่ยมันเป็นวัตถุมันเป็นก้อนธาตุ มันไม่ใช่สัตว์มันไม่ใช่คนดูลงไปได้หลายแง่หลายมุมในกายเนี้ยก็ล้วนแต่ถอดถอนความเห็นผิดว่ากายเป็นตัวเราทั้งสิน้นดูลงปัจจุบันไปเรื่อยๆอย่าไปคิดเอานะอย่าไปนั่งคิดเอาว่าไอ้นี่ไม่ใช่เราไม่ใช่เราคิดเสร็จแล้วมันก็เป็นเราเหมือนเดิมเลยหลวงพ่อเคยมีเพื่อนคนหนึ่งนะภาวนาไอ้น้อยก็ไม่ใช่เราไม่นี่ก็ไม่ใช่เราวันนึงไปสั่งก๋วยเตี๋ยวร้านหน้าเด็กมันเสิร์ฟผิดโต๊โมโหนะตบเด็กเลยตบเด็กทำให้ตอบทาไมอ ตกเป็นกริยาธาตุสัมผัสธาตุดีนะกระทาก๋วยเตี๋ยวไม่ครอบธาตุเท่าไหร่หรอกนเะ <c oughs> <c oughs> นี่ยปัญญาที่เกิดจากคิดเอานะมันลากกิเลนไม่ได้ต้องรู้สึกเอารู้ลงมาจริงๆส่วนการรู้จิตใจเนี่ยตามรู้ให้ตามรู้เอานะไม่เหมือนกับการรู้กายนะรู้กายรู้ลงปัจจุบันได้เนี่ยตัวเนี้ยตัวที่กําลังแข็งแข็งอย่เนี้ยมันไม่ใช่เร า, เารู้สึกนะส่วนจิตใจเนี่ยดูลงปัจจุบันไม่ได้เพราะจิตเกิดดับรวดเร็วมาก โดยเฉพาะจิต ท, ที่เป็นอกุศลเกิดเนี่ยมันมีสติไม่ได้สติจะไม่เกิดร่วมกับจิตอกุศลเวลาสติเกิดเมื่อไหร่จิตจะเป็นกุศลเมื่อนั้นงั้นสติเนี่ยเราตามดูใชเ้เราใช้ตามดูสภาวะที่เป็นนามธรรมานะถ้ารู้ปธรรมเนี่ยรู้ลงปัจจุบันถ้านามธรรมาตามดูนะเช่นความโกรธเกิดขึ้นรู้ว่าโกรธใช่ไหมมันโกรธก่อนนะถึงรู้ว่าโกรธนะมันโลภขึ้นมาโลภขึ้นก่อนแล้วรู้ว่าโลภ ใจมันลอยไปก่อนเรารู้ว่าใจลอยหงุดหงิดขึ้นก่อนเรารู้ว่าหงุดหงิดอิดช้าขึ้นก่อนเรารู้ว่าอิจฉ้าแต่ต้องรู้เร็วๆนะไม่ใช่เมื่อวานอิจช้าวันนี้รู้ใช้ไม่ได้นะอย่างนี้รู้ตามห่างไปเรียตามจนไม่เห็นฝุ่นใช้ไม่ได้ต้องเห็นหางมันไหวๆอยู่อย่างโกรธขึ้นมาแล้วโกรธมาชั่วโมงหนึ่งแล้วเกิดระลึกได้ยังไม่หายโกรธนะโกรธมันได้ต่อเนื่องชั่วโมงแล้วเกิดระลึกได้ว่าอ้าวนี้มันกําลังโกรธอยู่างเงี้ยอย่างนี้ใช้ได้อย่างนี้ใช้ได้หรือโกรธมา หานาทีแล้วระลึกได้ว่ากโรกรธกําลังโกรธอยู่อย่างนี้ใช้ได้คือความโกรธนี้เกิดขึ้นก่อนแล้วระลึกได้ว่ากําลังโกรธอยู่อย่างนี้ใช้ได้แต่เมื่อวานโกรธวันนี้รู้ว่าเมื่อวานโกรธอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะห่างไปต้องตามแบบกระชั้นกระชั้นกระชั้นไปตามไปเรื่อยๆเราจะเห็นอะไรเราจะเห็นอะไรจิตมันจะโกรธห้ามมันไม่ได้จิตจะรู้สึกตัวสั่งให้รู้สึกไม่ได้รู้สึกแล้วรักษาความรู้สึกตัวไปก็ไม่ได้ คามรู้สึก Does ตัวเกิดขึ้นช่วงขนาดแล้วก็ดับไปเพราะฉนั้นจิตที่โกรธที่โลภที่หลงนี่เป็นอกักขูศลเกิดแล้วก็ดับนมันจะเกิดก็ห้ามมันไม่ได้นะมันจะโกรธนะ่ะห้ามมันไม่ได้แล้วมันจะโลภห้ามไม่ได้มันจะหลงห้ามมันไม่ได้แล้วเกิดขึ้นมาแล้วไล่ก็ไม่ไปนะ <IS> ไล่ก็ไม่ไปบังคับมันไม่ได้สิ่งหนึ่งนีง่นคอยรู้ค่อยดูไปด้วยจะเห็นไนดะ้ทุกอย่างผ่านมาแล้วผ่านไปผ่านมาแล้วผ่านไปดูเลยจะเห็นมันไม่ใช่เราหรอก เราบังคับมันไม่ได้จิต ท, ที่เป็นกุศลมีสติขึ้นมาสั่งให้มีสติก็ไม่ได้นะสติต้องมีเหตุสติถึงจะเกิดถ้าใครบอกว่าสั่งให้สติเกิดได้นะเป็นมิจฉาทิฏฐินะมิจฉาทิฏฐิตรงที่คิดว่าจิตนี้เป็นอัตตาสั่งให้เกิดสติได้แท้จริงสติก็เป็นอนตัตตาสั่งให้เกิดไม่ได้ทำทั้งหลายทั้งปวงสั่งให้เกิดไม่ได้ทำทั้งหลายต้องปวงนะมีเหตุมันถึงจะเกิดไม่มีเหตุไม่เกิดหรอก เพราะฉั้นอย่างสติเป็นเหตุคือการจำสภาวะได้แม่นถ้าจิตมันจำสภาวะได้นะสติก็เกิดนะถ้าใจมีความสุขใจก็ตั้งมั่นสมาธิก็เกิดถ้าจิตใจตั้งมั่นมีสติรู้รูป ร, รู้นามไปปัญญาก็เกิดนั้นต้องมีเหตุนะมันถึงจะมีผลไม่ใช่อยู่ๆสั่งให้เกิดเนี่ยถ้าเราตามดูเราจะรู้เลยสภาวะทั้งหลายนะล้วนแต่สั่งไม่ได้ทั้งสิ้นเลย จิตที่เป็นอกุศลสั่งมันไม่ให้เกิดก็ห้ามมันไม่ได้อย่างมันจะโกรธก็ห้ามมันไม่ได้ใช่มจิตจะมีกุศลเกิดสติเนี่ยสั่งให้มีสติก็ไม่ได้มีสติแล้วรักษาไว้ก็ไม่ได้นะมันมีสติอยู่ได้ช <off> <im it hanno> ั่วครั้งชั่วคราวแวบเดียวมันก็ดับไปแล้วพอดับไปแล้วบางทีเกิดสติครั้งใหม่เมื่อทีเกิดอกุศลไม่เกิดสติก็ได้นี่จิตจะเกิดกุศลหรือเกิดสติหรือเกิดอกุศลเนี่ยขาดสติเลือกไม่ได้สักอย่างเดียวเลือกไม่ได้เลย การที่เราตามเห็นเนืองๆอย่างนีงนง้ในที่สุดปัญญามันจะเกิดนะมันไม่มีตัวเราที่แท้จริงหรอกเราสั่งอะไรไม่ได้สักอย่างเดียวเลยความสุขความทุกข์กุศลอะกุศล น, นี่นะหรือจิตใจเราเราควบคุมมันไม่ได้จริงบังคับมันไม่ได้จริงแต่ถ้าใครไปฝึกสมาธินะฝึกเพ่งไปเรื่อยๆยิ่งฝึกไปนานชำนิชำนานแล้วฝึกไปจนแกนะ่จะรู้สึกว่ากูเก่งกูเก่งแทนที่จะรู้สึกว่ากูไม่มีนะกับจะรู้สึกว่ากูเก่งกูเก่งหนักขึ้นไปอีกมันเพิ่มอัตตา นั่นต้องระมัดระวังนะถ้าเราเดินผิดเราเดินมุ่งไปแต่ทางทำสมถะอย่างเดียวแล้วนึกว่าเป็นมิปั ส, สนานี่นอกจากไม่ลากความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนแล้วยังเพิ่มอัตตาได้ด้วยหรือบางคนภาวนานะหลวงพเคยอ่านหนังสือบางคนบอกว่าสอนให้ฝึกดับเวทนาเพราะถ้าเวทนาดับนะตัณหาจะดับตัณหาดับเนี่ยอุปาทานจะดับภพบจะดับชาติจะดับทุกข์จะดับเพราะฉนั้นต้องหาทางดับตัณหา วิธีดับตัณหาคือกําหนดเข้าไปเพ่งเข้าไปพอตามองเห็นก็กําหนดหูได้ยินเสียงกําหนดไปเรื่อยจะดับกะว่าจะดับเวทนาดับเวทนาได้ถ้าเวทนาดับตัณหาจะได้ดับจริงๆแล้วเวทนาเป็นสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตทุกดวงไม่มีจิตดวงใดที่ไม่มีเวทนาดังั้นสำคามสําคัญจิตที่ว่าจะกําหนดลงไปแล้วดับเวทนาเพื่อไม่ให้เกิดตัณหาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ มันจะดับทุกขเวทนาดับสุขเวทนาได้เท่านั้นแต่มันไม่สามารถดับอุทุกขมาสุขหรืออุเบกขาเวทนาได้ใจที่เฉยๆความรู้สึกเฉยๆเพราะฉนั้นเวทนาเนี่ยยังไงก็ดับมันไม่ได้ยกเว้นแต่เข้านิโรธสมาบัตินะจะดับเวทนาอย่างเราภาวนาเนี่ยไม่ใช่ไปกําหนดเพื่อให้ดับเวทนาจิตทุกดวงมีเวทนาดับไม่ได้แล้วทําไงตัณหาถึงจะดับตัณหาดับได้เพราะอวิชามันดับ งั้นเราไม่ได้ฝึกเพื่อไม่ให้เกิดเวทนานะแต่เราฝึกจนกระทั่งละเอาวิชาคือความเห็นผิดว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเราได้พอเห็นว่ากายกับใจมันไม่ใช่ตัวเราแล้วเนี่ยตัญหามันจะไม่เกิดแล้วตัญหามันก็คือความอยากให้กายให้ใจนี้มีสุขอยากให้กายนี้ใจนี้พ้นทุกข์นั่นแหละพอกายกับใจมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราคืนให้โลกเข้าไปได้ตัญหามันจะดับสนิทเลยเวทนาก็มีอยู่นะ แต่ว่าตัณหาไม่เกิดเพราะว่าปัญญามันเกิดแทนเวทนาไม่ใช่ตัวอาุศลนะเวทนาเป็นตัววิบากแต่ตัณหาเป็นตัวอาคูศนั่สติปัญญามันเกิดแทนวิชามันเกิดแทนตัณหามันก็ไม่เกิดนี่พวกเราต้องค่อยๆเรียนนะเราอย่าไปเรียนแล้วนึกว่าเราจะบังคับได้ถ้าคิดว่าฝึกแล้วบังคับได้นะเข้าใจผิด ปัญญามันเกิดจากเห็นจริงว่าทุกอย่างในกายในใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเรานะนี่คือเรื่องของปัญญานะเอาวันนี้พูดเรื่องสมาธิกับปัญญานะวันก่อนๆพูดแต่เรื่องสตินะเมื่อกี้นี้ตอนหลวงพ่อลงจากรถมามีคนมาถามหลวงพ่ออยากให้หลวงพ่อเทศเทศเรื่องอะไรก็ไม่รู้ลืมไปแล้วทําแห่งความเนิ่นช้า ทำแห่งความเนื่นช้ามันมีสามตัวเรียกว่าปปัณจะทำปปัณจะทรทมแห่งความเนื่นช้านะถ้าใครมีทาสามตัวนี้การภาวนาย่าล่าช้าได้ผลยากนันแรกชื่อว่าตัณหาอยากนะแค่เราอยากปฏิบัติเนี่ยใจก็เป็นอกุศลแล้วยางเราอยากเดินจงกรมเราอยากภาวนาแล้วเราเดินจงกรมไปสามชั่วโมงนะเราทำตามที่ตัณหาสั่งทำตามตัณหาสั่งจิตตรงนั้นจะถูกตัณหาครอบอยู่ตลอด จิตจะไม่เกิดกุศลขึ้นมาเพราะนั้นกลายเป็นเราเดินตอบสนองอัตตามันอยากเดินเราก็เลยไปเดินมันอยากดีก็เลยพยายามไปเดินทั้งๆขี้เกียจนะขี้เกียจเดินมันต่างกับการภาวนาตรงไหนการภาวนาจริงๆก็คือถ้าเรามีธุระจะเดินเราก็เดินแต่เดินไปแล้วเนี่ยเรารู้เนื้อ ร, รู้ตัวอยู่นะเราเห็นว่าไอ้ตัวที่เดินอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเรานี่ยร่างกายส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งนี่นี่การปฏิบัติทําอย่างนี้ ไม่ใช่อยากปฏิบัติก็ไปเดินเดินสวยนะบางคนเดินสวยบางคนเดินเราเข้มงวดมากนะเดินต้องมีท่านะต้องถูกท่าด้วยถ้าผิดท่าถือว่าไม่ได้ผลนะท่าสวยๆมันไม่ได้ทําให้บรรลุธรรมนะท่าสวยๆทำให้บรรลุธรรมพวกโยธวาทิตย์จะบรรลุก่อนพวกเรานะมันเดินสวยกว่าเราเยอะเลยนะไม่เกี่ยวกันเลยอยู่ที่ว่ามีสติไหมในการเดินถ้ามีสติในการเดินใช้ได้แต่ถ้ามีตัณหาพาให้เดิน เ ห, เหนื่อยเงยเปล่าๆนะงั้นตรวจแรกเลยที่ทําให้ล่าช้านะคือตันหาหลวงพ่อเคยโดนพระองหนึ่งท่านอบรมสั่งสอนเคยเล่าให้พวกเราฟังแล้วตอนนั้นไปที่สุรินหลวงปู่ ด, ดูลไม่อยู่แล้วไปภาวนาที่วัดสาขาท่านตอนเช้าทานข้าวเสร็จแล้วก็ออกมาจากกุตินะไปหาที่ภาวนาไปเจอกอี้หินอยู่ใต้ต้นไม้ร่มรื่นริมสระน้ํา ใจมันก็อยากภาวนาชอบเนี่ยตรงนี้ร่มรื่นดีเดี๋ยวว่าเราจะอยู่ที่นี่ทั้งวันนะจะภาวนาตรงนี้แหละทั้งวันเลยพระองค์หนึ่งตะโกนข้ามสระน้ำอะไรลั่นวัดเลยนะพราโมทอยากปฏิบัติก็ผิดแล้วโอ้โ ห, หโดยก็เป็นนะจําแม่นเลยจำแม่นเลยซาบซึ้งถึงอกถึงใจโอ้เราอยากปฏิบัติเราไม่เห็นนี่เราปฏิบัติเพราะตันหาต่อมาพอมาอ่านตําราอริธรรมนะ เขาสอนไม่เหมือนกันนะตำราเขาก็ดีนะไม่ใช่เขาไม่ดีหรอกดนัพี่ธรรมจะสอนบอกว่ามันมีเรื่องของกิเลสใช่ไหมแล้วก็มีกรรมมีวิบากเรียกว่าไตรวัตกิเลสกรรมวิบากกิเลสทำให้เกิดการกระทํากรรมกรรมทําให้เกิดวิบากแล้วสอนบอกว่ากิเลสเนี่ยเป็นสหชาตปัจจัยของกรรมกิเลสเนี่ยทำให้เกิดการกระทํากรรมก็จริงนะแต่เกิดร่วมกันเพราะในระหว่างที่เรายังกระทํากรรมคือทํากิจกรรมอะไรทางจิตใจของเราอยู่นี้ด้วยอํานาจบงการของกิเลส กิเลสยังอยู่สติจะไม่เกิดเลยเพราะงั้นเราอยากปฏิบัติเราเดินงุนๆๆน ง, น ง, นงุนไปเรื่อยนะสติจะไม่เกิดแต่กิเลสมันเกิดแทนเนี่ยปัญหามันเลยทําให้เนิ่นช้าทําให้เราลําบากตั้งเยอะเนี่ยแทนที่เราจะเดินแล้วก็รู้สึกตัวเดินแล้วก็เห็นกายเห็นใจมันทํางานของมันไปไม่ใช่ตัวเราเดินถอดถอนความเห็นผิดก็กลายเป็นเดินบังคับมันไปเรื่อยเรือยเพาอยากดีอยากได้ผลเนี่ยต้องระวังระวังนะนี่ตัวที่หนึ่งที่ทําให้ช้าตัวที่สองคือมานะ มาน้าคือความถือตัวมาน้ามีสองพวกนะความจริงก็มีสามพวกนะถือว่ากูเก่งกว่าคนอื่นกูเท่าเท่ากับคนอื่นกูแย่กว่าคนอื่นแต่มาน้าที่หลอกหลอนนักปฏิบัตินะไอ้พวกที่รู้สึกว่ากูแย่เนะี่ยก็เยอะนะโอชาตินี้ดิฉันทำไม่ได้เราเคยมาบอกหลวงพ่อนะชาตินี้ดิฉันทำไม่ได้ขอทำบุญไปก็แล้วกันดิฉันไม่มีวาสนาบารมีไม่เคยสร้างมาแต่ชาติบางก่อน พอหลวงพ่อถามเรารู้ได้ยังไงอ่ะโยมมียานทัศนะรู้ว่าไม่เคยปฏิบัติมาแต่ชาติปางก่อนเหรอไหมโมเมลเองอ่ะมันคิดบัณฑทอนตัวเองทําให้หมดกําลังใจนี่ใช้ไม่ได้นะหรือคิดว่ามรรคผลนิพพานพ้นสมัยแล้วนี้พวกทิฏฐินี่เรื่องทิฏฐิมีสามตัวนะที่ทําให้ช้ามีตัณหามาณทิฏฐิทิฏฐิยังคิดว่ามันพ้นสมัยแล้วมรรคผลนิพพานไม่มีแล้วไม่ต้องไปทำมันหรอกเนี่ยพวกนี้ก็โดนหลอกนะ อีกพวกหนึ่งนะถือว่ากูเก่งกูเก่งกูรู้ทุกอย่างแล้วมาฟังธรรมะนะเรียนอะไรใหม่ๆไม่ได้เลยเขาเรียกชาล้นถ้วยก็รู้สึกว่ากูเก่งกูรู้หมดทุกอย่างแล้วลืมไปอย่างเดียวว่าไอ้ที่ว่ากูเก่งกูรู้นะกูหมดกิเลสไหมนะกิเลสยังเค็งหัวทุกวันทุกวันนะได้รับความทุกข์ทางจิตทางใจอยู่ไม่เก่งจริงหรอกนะถ้าจิตใจเปิดโล่งไปหมดแล้วเออค่อยว่ากันใหม่เนี่ยนะมันหลอกเรานะมานะ มาณะเนี่ยถ้ากูเก่งกูเก่งมันก็เรียนอะไรใหม่ไม่ได้หรือกูงโง่ยังไงกูก็เรียนไม่ได้นะใจฝ่อก็เรียนไม่ได้เหมือนกั น, นอีกตัวหนึ่งคือทิฏฐิเจ้าวความคิดเจ้าวความเห็นนักนะเรียนธรรมะเวลาฟังธรรมะเนี่ยพวกเราชาวเมืองเป็นเยอะนะตัวเนี้ยเวลาฟังอย่างฟังหลวงพ่อพูดนะจะศึกษาเปรียบเทียบกับของเก่าไปเรื่อยๆอาจารย์โน้นว่าอย่างนี้อาจารย์นี้ว่าอย่างโน้นอาจารย์นู้นว่าอย่างงี้อีกนะมีหลายสเต็ป รวมความแล้วไม่ได้สักอาจารย์หนึ่งเลยนะลุยๆเปสักอาจารย์หนึ่งอาจจะได้น ะ, นะคิดมากยากนา น, นพวกเนี้ทําให้ช้าเอาความคิดมาบันทอนตัวเองหรืออย่างบางทีเราภาวนาภาวนาของเราอยู่ดีๆนะสติปัญญาเกินรอบตัวเลยนะใจก็ตั้งมั่นดีๆอยู่อย่างเงี้ยดีอยู่แท้ๆเลยอยู่ๆก็คิดขึ้นมาอีกเฮ้ยทายัางไงมันจะดีกว่านี้อีก น, ะ น, ะนี่ถูกความคิดถูกความเห็นหลอกให้ปั่นป่วนขึ้นมาแล้ว หาทางทำแล้วแทนที่จะรู้กายรู้ใจลงเป็นปัจจุบันตามความเป็นจริงนะีมันมีแค่นั้นแล้วนะมันไม่มีมากกว่านั้นแล้วหาทางทาอย่างนี้ไม่น่าจะดีนะสมมติเอาจิตไปตั้งไว้เหนือสะดือสองนิ้วครึ่งนะแล้วท่าจะดีนะหรือว่าต้องกําหนดจิตไว้ที่ท้ายทอยแล้วจะดีกว่านี้อะไรเนี่ยนะเนี่ยถูกหลอกนะถูกหลอกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นภาวนาอยู่ดีดๆก็เลยตุปัตตุเปไปหลวงพ่อมีรู้สิทธิอยู่กคนหนึ่ง เป็นคนทำซีดีแจกวยด้วยๆนะคือคุณโยไหนนั่ น, นั่นน่ะยืนนั่งยินน้มอยู่นั่นนะคุมเครื่องอยู่นั่นนะภาวนาพอดีๆสักพักหนึ่งนะหายไปพักนึ่งกลับมาพีลึกพีลึกใหม่อีกล่ะนะแข็งแข็งมาอย่างนี้มาก็มีนะบางทีก็ยี้มมาตามเป็นอะไรไปฝึกอนโน้นฝึกอันนี้มานะ แทนที่ว่ามีสติรู้กายรู้ใจลงเป็นปัจจุบันมันไม่มีแล้วไม่มีมากกว่านี้แล้วนะนอกจากว่าจิตฟุง้งซ่านทําความสงบเป็นครั้งเป็นคราวไม่ต้องไปทําอะไรแปลกแปลกขึ้นมาเราคิดว่าจะทําเพื่อเร่งความเพียรเพื่อเพิ่มความเข้มข้นของการปฏิบัติยิ่งล่าช้าใหญ่นี่ทําที่ทําให้ล่าช้าเราก็สํารวจใจของเรานะมีตัวไหนทําให้ล่าช้าบ้างล่าช้าอีกตัวหนึ่งความเห็นผิดนะล่าช้ามากเลยก็เป็นเรื่องที่ถีกความเห็นผิด ย่งคิดว่าเราบรรลุมา ก, กุล น, นิพพานแล้วหลวงพ่อหลวงพ่อมีภารกิจอย่างหนึ่งที่หลวงพ่อไม่ชอบเลยนะคือภารกิจฆ่าพระอาริยะ <c oughs> เป็นงานที่เบื่อที่สุดเลยนะงานพระอริยะมากมายเหลือเกินบางทีเป็นกันทั้งหมู่บ้านก็มีนะเป็นพระละหันทั้งหมู่บ้านเลยบางทีเป็นพระละหันแล้วก็ตีกันนะสามีภรรยาพระละหันตีกัน เพื่อนถามว่าเธอเป็นพระอรหันเธอทะเลาะกับสามีได้ยังไงบอกด่าเป็นกริยาอย่างนี้ก็มีนะพอเราสำคัญมั่นหมายว่ามันใช่มันใชนะ่มันพลาดลนะพลาดมไม่ได้ดูของจริงๆไม่ยอมวัดใจตัวเองอย่างซื่อๆนะบางทีก็มีพระนะเดินตาลอยมาเลยนะนะมาถึงก็บอกเลยผมทำลายผู้รู้ไปเรียบร้อยแล้วนะ เคยเจอสององค์สององค์เป็นพระอาหารหันต์นะบอกโอ้ยอาหารหันต์อย่างนั้นใช้ไม่ได้นะอาหารหันต์แบบไม่ยอมรู้ทุกข์อ่ะหนีการรู้ทุกข์ไปนะทำใจลอยลอยเคลื่มเคล่มเลอเลือไปนะไม่ยอมรู้กายรู้ใจพอมันไม่รู้กายไม่รู้ใจมันก็ไม่เห็นทุกข์สิเพราะกายกับใจเป็นตัวทุกข์นี่หนีไปอยู่กระใจลอยๆว่างๆไปอะไรนะเคลื่มเคลื่มเปลอบเือบไป บอกเป็นพระราหันแล้วเพราะมันไม่ทุกข์ไม่ทุกข์เพราะไม่รู้ต่างหากไม่ทุกข์ไม่ใช่ไม่ทุกข์เพราะไม่มีพอย้อนกลับมาดูกายดูใจคราวนี้โอ้ทุกขนะ์หนักต้องระมัดระวังนะการภาวนาอย่าใจร้อนค่อยๆเรียนค่อยๆฟังไปค่อยๆสังเกตอย่าเชื่ออย่าเชื่อง่ายนะสภาวะอะไรเกิดขึ้นอย่าเชื่อง่ายเชื่อง่ายแล้วถูกหลอกเยอะ ห, หลวงพ่อยังเคยโดนหลอกเลยภาวนาตอนนั้นหลวงปู่ดุลยังอยู่ พานาไปเรื่อยๆนะอยู่จิตรวมลงไปนะมันแตกออกนะจิต ม, มันแตกออกสิ่งที่ห่อหุ้มนี้แตกออกไปแล้วมันผุดขึ้นมามีแสงสว่างเหมือนเป็นดวงสว่างผุดขึ้นมาแหมผุดขึ้นมาค่อนๆดวงครึ่งๆดวงแหมอีกนิดเดียวก็หลุดแล้วนะเนี่ยแหมเกือบหลุดพ้นแล้วเกือบเป็นพระละหันแล้วแต่เสร็จแล้วก็สงสัยนะไม่เห็นกิเลสมันลดเลยนะพอออกมาแล้วไม่เห็นมันจะลดตรงไหนเลยไปเล่าให้หลวงปู่ดูลฟังนะท่านบอกว่ามันนิมิต ท่านบอกมันนิมิตมันหลอกได้นะหลอกได้มันหลอกเก่งเอาไปเล่าให้หลวงปู่เทศฟังนะว่าเนี้ยมันฝุดขึ้นมานะแต่ผมไม่เชื่อหรอกเพรผมรู้สึกว่ากิเลสมันไม่ลดลงท่านก็ยิ้มเลยนะยิ้มน่ารักหลวงปู่เทศท่านบอกดีแล้วที่ไม่เชื่อมันดีแล้วที่ไม่เชื่อถ้าเชื่อก็ต้องเป็นภาระให้ครูบาอาจารย์ต้องมานั่งแก้ให้ แล้วเวลาเชื่อว่าเป็นพระอริยะแล้วรู้ว่าไม่ใช่นี่นะจอยที่สุดเลยเศร้าเลยบางคนเศร้าเป็นปีๆนั้นเป็นงานที่น่าสงสารที่สุดเลยเพราะฉะนั้นอย่ารีบเป็นพระอริยะนะให้วัดใจเราอย่างนี้ตราบใดที่ยังมีกิเลสนะเรายังไม่เลิกปฏิบัติอย่าไปรุ่มหลงกับคำว่าพระอริยะเลยคำว่าพระอริยะทั้งหลายเป็นคำสมมติเท่านั้นแหละ ดูใจเราดีกว่ายังมีกิเลสไหมถ้ามีเรก็ปฏิบัติของเราตามรู้ตามดูดูกายดูใจของเราเรื่อยๆไปเห็นกายกับใจเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเรื่อยไปพอเราเห็นกายเห็นใจเกิดแล้วดับเรเื่อยไปเนี่ยถึงจุดหนึ่งก็ละความเห็นผิดว่ามันเป็นตัวเราได้เพราะมันเกิดแล้วดับมันไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงหรอกมันเกิดดับสืบเนื่องไปเรื่อยๆต่อมาเราก็มารู้กายรู้ใจของเราต่อไปอีกนะจนเห็นเลยมันเป็นตัวทุกข์ทั้งนั้นเลย กายนี้ก็เป็นตัวทุกข์ล้วนๆใจก็เป็นตัวทุกข์ล้วนๆอย่างนี้เห็นอย่างนี้เราจะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจนั้นการปฏิบัติมีสองขั้นขั้นละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเรากับขั้นละความยึดถือในกายในใจหมดความยึดถือกายได้พระภาณขานะหมดความยึดถือจิตก็ไม่เรียกว่าเป็นอะไรละไม่เรียกว่าพระอรหันต์ละไม่เรียกว่าอะไรทั้งนั้นถ้าสมมุติคนอื่นเรียกก็เรียกพระอรหันต์ละวันนี้ให้โยมถามบ้าง หลวงพ่อพูดรวดเดียวครึ่งชั่วโมงแล้วอมีไหมอย่าถามว่าหวยออกอะไรนะ <c oughs> มีคนชอบยุ่งกับพระเรื่องพวกนี้กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะขอกราบเรียนถามพระอาจารย์นะคะว่าแต่ก่อนนี้เคยแบบพระจิตแบบไม่ค่อยนิ่งอะคะ่ะตอนนี้รู้สึกว่าจิตนิ่งขึ้นนะคะ แล้วก็แต่ว่ากิเลสเนี่ยนะคะมันจะเห็นชาัดขึ้นแบบมันจะเร็วแล้วจะแรงบางครั้งก็กําหนดแบบคือรู้ทันนะคะบางครั้งก็ไม่รู้ทันแต่ว่าไม่ไ ม, ไม่คือปล่อยไปอะคะ่ะไม่ไม่พยายามดึงเข้ามาะคะ่ะอยากเกิดขอคําแนะนาะ<ด>ําจาะอายดีแล้วน ะ, ะกิเลสเกิดทั้งวันเลยเห็นแล้วใช่ไหมค่ะดีแบจะเร็วแล้วก็จะแรงด้วยอะคะ่ะพระอาจารย์ ตรงกิเลสเกิดเร็วเนี่ยเพราะสติเราเร็วธรรมดากิเลสเกิดตลอดเวลาอยู่ละเกิดทั้งวันนะแต่สติเราเร็วขึ้นเร็วขึ้นเราเลยเห็นกิเลสเกิดบ่อยส่วนที่ว่ากิเลสแรงขึ้นนะ่ะเพราะว่าแต่ก่อนเราภาวนาแบบเก็บกดเราแบบเพ่งเอาไว้นะแบบกําหนดเอาไว้ดังนั้นดอกเบี้ยมันมีนะเราเก็บกดกิเลสเอาไว้พอวันใดเลิกเก็บกดนะกิเลสแรงกว่าเกา่านะก็ให้ตามรู้ตามดูไปโดยถือศีลห้าไว้ก่อน กีเลสจะแรงนะไม่เป็นไรนะอย่าให้ล้นออกทางกายทางวาจาเนะมันไปร่ารานชาวบ้านเขาดีแล้วนะแต่นะของคุณบังคับตัวเองเกินธรรมดาไปนิดนึงยังดูออกไหมนะดีนะเกินนะเกินไปนิดนึงมันจะไม่ค่อยมีความสุขมันแข็งไปมีไหมหมดแล้วเหรอทุกดีอ๋ อ, อรับนมาการของพ่อครับคือผมเริ่มฝึกมาประมาณ ตั้งแต่ประมาณต้นปีครับจากฟังจากเอ3ดีสาของของพ่อทีนี้พอฝึกแล้วเนี่ยพอเริ่มรู้สึกตัวหมายถึงรู้ว่าเผลอเงี้ยครับมันก็จิตมันมันจะมันกำหนดลมหายใจครั้งหนึ่งครับ <N S 1> เป็นอย่างนี้ตลอดเลยแล้วรู้นะสึกเหมือนกับปืดอัดในหน้า อ, อกอย่างเงี้ยครับเป็นธรรมดานะคือสิ่งที่ผิดมีสองงานคือเผลอไปกับเพ่งไว้คนทั่วๆไปที่ไม่เคยฝึกภาวนานะจะเผลอลูกเดียวเลย ส่วนนักปฏิบัติเนี่ยพวกที่ชอบปฏิบัตินะถ้าไม่เผลอก็เพ่งไอ้ที่จะรู้สึกเนี่ยมีน้อยขั้นแรกเลยอย่างพอเรารู้ว่าใจเราเผลอไปตรงนี้ดีแล้วนะขณะจิตที่เผลอไปเนี่ยจิตเป็นอกุศลขณะที่รู้ว่าเผลอจิตเป็นกุศลเรียบร้อยแล้วแต่ถัดจากนั้นเนี่ยมันจะกลัวเผลอมันไม่อยากเผลอมันจะบังคับตัวเองไหมคนไหนเคยชินที่จะรู้ลมหายใจมันก็กลับมาจ้องไว้ที่ลมใจมันจะแน่นขึ้นมา นะเพราะว่ามันเกิดการเพ่งขึ้นมานะบางคนก็กลับไปเพ่งใส่ท้องพองยุบอนะไรเงี้ยใจก็จะแข็งแข็งขึ้นมาเพราะงั้นเวลาที่จิตเราหลงไปเผลอไปเนี่ยพอเรารู้ว่าหลงไปแล้วเผลอไปแล้วอย่าดึงมันนะให้รู้แล้วจบหลงแค่รู้แต่ว่ามันทําไม่ได้หรอกนะเพราะใจมันเป็นของห้ามไม่ได้พอรู้ว่าเผลอไปมันจะดึงเอาไว้พอดึงอาไว้ก็จะแน่นๆนะต้องค่อยๆฝึกไปดีแล้วละ่ะฝึกไปแล้วกิเลสเกิดวบาละกีเหตุล่ะ หลายคลเหมือนกันครับ แ, แต่ยังไม่ไม่ยังไม่บ่อยมาครับแล้วเอาให้ได้สักชั่วโมงละร้อยผลเนาะครับผมจริงๆนาทีหนึ่งได้สักสิผลก็กำลังสวยนะหรือยี่สิบผลก็กำลังดีนะถ้าจริงๆเกิดเร็วอย่างนั้นนะใจเราหลายแว บ, บแว บ, บแว บ, บใครอยากทดลองไหมเดี๋ยวพาให้ดู <c oughs> <c oughs> ใจเราจะเกิดอากุศลอยู่ตลอดเลยรวดเร็วมากเลยในเวลาสองวินาทีสวินาทีสองวินาทีสามวินาทีใจก็ฟุ้งซ่านล้ว แอบไปคิดหนีไปคิดแล้วแวบไปแล้วกว่าจะรู้อีกทีบางทีชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงหรือวันหนึ่งนะคนทั่วๆไปก็คือเผลอแวบแล้วไปทั้งวันเลยของเราจะเผลอแล้วก็รู้สึกเผลอแล้วรู้สึกนะยิ่งภาวนาเก่งยิ่งเผลอบ่อยแต่เผลอสั้นๆ น, นะเผลอสั้นๆไม่เผลอยาวอ่ะมีอีกไหมไม่มีจะได้เลิก <c oughs> แล้วโยมไม่ไปไหว้เจ้ากันบั่งเลย ค่ะจะถามว่าก็คือถ้าสมมุติว่าเผลอแล้วแล้วจะมีเหมือนเสียงหลวงพ่อหรือว่าบางทีเสียงตัวเองบอค่ะยิงได้ไหมคะไม่เป็นไรเราเราห้ามมันไม่ได้นะแต่ว่านานๆไปเราจะราคาญว่าหมายทําไมมันช่างพูดจริง <c oughs> บางคนมีเสียงหลวงพ่อนะบางคนมีภาพประกอบด้วยนะอบางคนไม่เคยเจอหลวงพ่อหรอกนะแล้วก็ ภาวนาไปเราติดขัดแล้วบอกแม่หลวงพ่อมาบอกหลวงพ่ อ, อใจใจนั้นมันเป็นธาตุรู้งทีมันก็รู้ขึ้นมายิ่งเคยฟังเคยฟังหลวงพ่อเทศเรื่อยเวลาเราภาวนาไปถึงจุดที่ติดขัดนะก็เหมือนหลวงพ่อไปบอกให้ของหลวงพ่อเองแต่ก่อนก็เป็นสมัยที่ภาวนานะหาครูบาอาจารย์แต่ก่อนหายากอยู่อีสานไกลเดินทางอันทีหนึ่งก็ลำบาก ไม่มีรถลาอะไรรถลาถึงมีนะัถนนก็ไม่ค่อยจะดีอะไรองี้ไปยากเวลาเราภาวนาติดขัดขึ้นมาใจมันคล่องใจอะไรนะ้เราก็ตามรู้ตามดูไปสบายๆนะบางทีก็เหมือนครูบาอาจารย์มาบอกให้มาสอนให้บางคนก็รู้สึกเหมือนพระพุทธเจ้ามาบอกให้นี่ยจิตเรามันถ่ายทอดธรรมะให้ฟังเราก็อย่าไปสําคัญมั่นหมายว่าจริงหรือไม่จริงนะเอาแต่เนื้อหาของธรรมะเป็นหลัก ที่จิตของเรานั่นแหละถ่ายทอดธรรมะให้เราฟังเองแต่อาศัยสมมุติบัญญัติเป็นเสียงครูบาอาจารย์เป็นรูปร่างครูบาอาจารย์หรือเป็นเสียงพระพุทธเจ้ารูปร่างพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคงไม่ได้พูดภาษาไทยเหรอเนอะเวลามาเทศให้เราฟังนะเทศภาษาไทยนะอ่ะเชิญครับกราบน้มัสการหลวงพ่อครับหลวงพ่อครับว่าจะเป็นไปได้ไหมครับว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีกรรมฐานที่ถนัดในคือ มีกรรมฐานเฉพาะของแต่ละบุคคลครับว่าบางคนอาจจะทํารู้รูปเงี้ยแล้วก็อาจจะรู้สึกตัวได้บ่อยแต่ว่าถ้าเขาเกิดไปไปรู้สึกตัวในระ ย, ยะนึงแล้วเกิดไปฝึกดูจิตเงี้ยมันอาจจะกลายเป็นการจงใจขึ้นมาเลยเป็นไปได้ไหมครับก็เป็นไปได้ทางใครทางมันเพราะจุดเริ่มต้นเนี่ยจะรู้รูปก่อนก็ได้รู้นามก่อนก็ได้แต่ถ้ารู้ถูกต้องนะจะรู้รูปและนามอย่างเรารู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยบางคนใจชอบวกไปหาลมนะ แต่ถ้าเหลือแต่ลมมันเดียวนะใจไหลเข้าไปเกาะนิ่งๆโลกนี้ไม่มีอะไรนอกจากลมเนีอย่างนี้ติดสมถะทําผิดละแต่ถ้าทําถูกนะรู้ลมหายใจไปใจจะตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่อย่างนี้ทําถูกแล้วมันจะรู้ทั้งรูปทั้งนามไม่ได้รู้อันเดียวนะใจจะต้องตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูร่างกายนี้พอเราใจตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูร่างกายแล้วนะ้ ร่างกายเคลื่อนไหวมันก็รู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวกิเลสตัณหาอะไรผุดขึ้นมามันก็รู้สึกรู้สึกเองไม่ได้จงใจเพรงันะ้นถ้าคนไหนรู้ ร, ร, ร่างกายแล้วสติเกิดบ่อยก็อย่าเปลี่ยนรู้ร่างกายไปไม่ต้องมาตามคนอื่นเขานะคนไหนดูจิตใจแล้วสติเกิดบ่อยก็รู้จิตใจไปถ้ารู้จิตใจถูกต้องก็รู้ร่างกายนะไม่ใช่ไม่รู้นะฝึกอย่างที่หลวงพ่อฝึกเนี่ยอย่าว่าแต่ตอนตื่นเลยตอนหลับยังรู้เลยร่างกายพลิกซ้ายพลิกขวารู้ทั้งคืนคนที่ทําได้อย่างนี้เยอะแยะไปเลย ครับเรากราบียนถามว่าจะเป็นไปได้ไหมครับว่าถ้าอย่างบางบางท่านไม่เคยฝึกสมถะมาก่อนเลยอย่างกับผมเนี่ยครับแต่ก็ฝึกโดยการเอาจิตธรรมดาอย่างอย่างเช่นณขณะเนี่ยครับไปไปรับรู้แบบอารมณ์อย่างเช่นการเผลออะไรครับไม่ทราบว่าจะเกิดการรู้ที่ถูกต้องได้ไหมครับเอาเอาใหม่สิไปรู้อะไรรู้ท้องเหรอหรือรู้อารมณ์อย่างอย่างเช่นผมไม่เคยฝึกสมถะในรูปแบบมาก่อนนะครับอทีนี้คือ ประมาณว่าผมผมเคยดูจิตอยู่ในระยะหนึ่งแล้วรู้สึกว่ามันเกิดความเห็นเห็นว่ามันความคิดมันดับลงครับ <Ừ. S 2> ทีนี้พอผมเอาสภาวะ น, นั้นตอนแรกผมก็คิดว่ามันน่าน่าจะไปประยุกต์ใช้กับกรรมฐานอย่างอื่นได้พอเอาไปทำกับกรรมฐานอื่นแล้วมันกลายเป็นจงใจหมดเลยครับเออถ้าจงใจก็ผิดหมดเลยครับคือคนที่ไม่เคยทําสมถะนะกรรมฐานที่จะทําได้ง่ายก็คือการดูจิตเพราะว่าถ้าไม่ได้เคยทําสมถะเนี่ยใจจะไม่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดู พอใจไม่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะจะมาดูรูปหรือเวทนาเนี่ยดูไม่ค่อยออกมันจะถล่าลงไปไม่ตั้งมั่นจะลงไปแช่ไปแช่อยู่กับลมหายใจแช่อยู่กับมือกับเท้ากับท้องอะไรอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้จริงแต่ถ้าเราใจเราไม่เคยฝึกทำความสงบเลยใจเราวอกแวกๆกแวกไปเรื่อยเราตามดูไปใจหนีไปคิดเราคอรู้หนีไปคิดคอรู้นะต่อไปใจจะสงบเองมันเป็นการใช้ปัญญานาสมาธิ งั้นการดูจิตเนี่ยเป็นเส้นทางของพวกที่ใช้ปัญญานําสมาธิแต่ดูจิตแล้วก็รู้กายนะแล้วก็สมาธิก็มีนะไม่ใช่ไม่มีแล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่ให้ทําสมาธินะควรทําสมาธิด้วยแต่ว่าระมัดระวังอย่าไปให้ทําสมาธิเคลิ้มเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวใช้ไม่ได้ครับเหมือนกับว่าจะต้องมาเริ่มต้นดูจิตใหม่แต่เริ่มเลยครับหลวพ่อจะเริ่มดูจิตตอนนี้เลยนะดูไปเลยตอนนี้กำลังแข็งอยู่ครับ ผมปจจุบันแล้วเห็นนี่มีตัวอะไรโผล่ึ้นมาเป็นความคิดพอรู้สึกตัวปุ๊บมันความคิดนี้ก็หยุดไปพักหนึ่งแล้วเมื่อเกิดมาใหม่อมท่านี้ก็ต่อเ น, นื่องไปเป็นเป็นเรื่องเป็นราวพอเรื่องนี้จบเรื่องใหม่เกิดขึ้นอีกอพ อ, อพอขยับกายอะไรเนี่ยมันก็หายไปเลยอืคืออารมณ์ที่จิตไปรู้เนี่ยนะ สำหรับพวกเราที่ทําได้เนี่ยมันมีอารมณ์บัญญัติคือเรื่องราวที่คิดนี่อันหนึ่งน ะ, ะอีกอันนึงคือเรื่องรูปร่างกายนี้อีกอันนึงคือเรื่องนามา ร, รมความรู้สึกในใจของเราเวลาที่จิตจะรู้อารมณ์เนี่อรู้ได้ครั้งละอย่างเดียวนะงั้นเมื่อไร่ที่จิตมันหนีวิคิดเนี่ยเราจะลืมกายลืมใจตัวเองแต่เมื่อไหรเรารู้ทันว่าจิตคิดไม่ใช่รู้เรื่องที่คิดนะครับถ้ารู้ว่าจิตคิดเนั่นความคิดจะดับวับลงไปเลย <pouch. S 2> แต่ว่าเหตุของมันมันยังมีงานที่ยังต้องคิดอยู่เดี๋ยวมันก็คิดใหม่ะคิดใหม่เราก็รู้ใหม่เราก็จะเห็นเลยจิตเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็เป็นจิตผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นจิตผู้คิดจิตผู้รู้ก็ไม่เที่ยงจิตผู้คิดก็ไม่เที่ยงดูไปอย่างนี้แล้วมันจะมีตัวภาคอยู่ตัวนึงอ่ะตัวภาคห้ามมันไม่ได้นะมันมันภาคไปเรื่อยๆอย่าไปลาคาญมันนะทำให้เราลำคาญเออนั่นแหละมันลาคานหพ่อก็เคยําคาญนะ แหมมันทําไมช่างพูดกว้าโมโหน้าว้าด้วยนะหลวงพ่อมันนั่งเลงเหมือนกันนะมังเองมันก็แสดงเป็นหน้าเป็นตัวเป็นตนออกมาให้เห็นอให้รู้ทันมันนะรู้ทันอะไรรู้ไหมรู้ทันใจเรามันภาคแล้วใจเรารําคาญก็รู้มันเกิดเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาให้เห็นจริงๆนะใจเราเกิดตกใจรู้ว่าตกใจสงสัยหรือว่าสงสัยกลับมาดูที่ใจเราไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะให้กลับมารู้ทันใจของเราไปเรื่อยๆแล้วเวลาแบบเวลานอนอยู่เนี่ย พอนอนพัฒภพักมันลบตัวมันมันเหมือนมีอะไรไหวๆมาในตัวเนี่ยในกาย เ, าเราก็ดูไปเห็นเลยว่าอร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ตัวเรานะที่กําลังนอนอยู่ไอ้ไหวๆนี้มันก็ทํางานของมันเองเราบังคับมันไม่ได้กายนี้เป็นของบังคับไม่ได้จิตใจเป็นของบังคับไม่ได้คือไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในกายในใจนะดูลงเป็นไตรลักษณ์ให้หมดเลยลไม่ใช่ฝึกบังคับนะครับแล้วเวลานั่งสมาธิเนี่ย มันมันเหมือนมีมีอะไรเกิดขึ้นมาใ น, ในจิตเนี่ยอืมันเกิดมาขึ้นขนาดหนึ่งแล้วมันก็ว่างไปขนาดหนึ่อแล้วมันมันก็ออกไปข้างนอกอีกอออกไปข้างนอกแล้วมันก็ดับไปอีกอืดับแล้วมันก็เข้ามาข้างในอีกเออเออดีละนะแท้จริงแล้วธรรมะเนี่ยแสดงตัวให้เราดูอยู่ตลอดเวลาโนะยมสังเกตไหมว่ามีแต่ทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับไม่มีอะไรคงที่เลย ธรรมะอยู่ตรงนี้เองนี่พวกเรายังไม่เข้าใจเราคิดว่าถ้าฝึกไปเรื่อยๆมันจะมีอะไรอย่างหนึ่งเที่ยงเที่ยงอยู่หรือดีดีอยู่สุกสุขอยูนะ่แต่ตามดูตามดูลงไปในกายในใจนะั้มีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของเป็นทุกข์มีแต่ของบังคับไม่ได้ถ้าใจยอมรับตรงนี้ใจก็เข้าถึงธรรมะใจปฏิเสธตรงนี้ก็คือปฏิเสธธรรมะที่โยมภาวนาอยู่ดีนะใช้ได้เลยเห็นสภาวะได้ละเอียดละออดีลแล้วจะอยากให้หลวงพ่อช่วยเทศน์ให้ฟังว่า ผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติเนี่ยควรจะแนะนำยังไงเวลาทํางานหรือว่าเวลาว่างเวลาทํางานที่ใช้ความคิดปฏิบัติไม่ได้อย่างอย่างเช่นแบบว่าเวลาอยู่บ้านเนี่ยจะแนะนําไงให้ให้เขาเจะมีฮิดีโอพัฒนาเกิดขึ้นมาในการปฏิบัติเนี่ย <c oughs> คืออยากจะให้เขาขยันปฏิบัตินะเราต้องทําให้เขาดูก่อน ถ้าเราอยู่ในบ้านเราเนี่ยสอนยากคนในบ้านสอนยากนะยิ่งภรรยาเนี่ยนะเคยแต่สอนเรานะ เ, ออเราไปแนะนำยากนะออหรืออย่างพ่ออย่างแม่นี่แนะนายากเราต้องทำให้ดูถ้าเราสามารถภาวนาจนกระทั่งเรามีความสุขให้เขาเห็นได้เรามีการเปลี่ยนแปลงมีพัฒนาการที่ดีให้เขาเห็นได้เขาถึงจะเชื่อแต่แต่ถ้าทำแล้วเกิดให้เขาเห็นแล้วแลว เ, ขเขาเขาก็ยังหลงไม่ทางอื่นอยู่ไม่ไม่ยอมเข้ามาทางนี้ ออเป็นเรื่องธรรมดานะเราบังคับเขาไม่ได้ใจเราเรายังบังคับไม่ได้เลยเราจะไปบังคับใจใครเขาได้นะรัข้ัสาการคือหนูไม่แน่ใจว่าบางครั้งเนี่ยเราจดจ่อกับการฟังเทปของครูบาอาจารย์มากๆเข้าอะคา่ะทีนี้พอวันหนึ่งหรือช่วงที่เราไปในที่ที่มันไม่มีตัวเนี้ยมันติดนะคะแล้วมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยไม่ไม่ค่อย ได้อะไรอย่างเงี้ยที่เราคิดว่าเราจะได้ค <c oughs> ือส่วนมากเราชอบเปิดเทปครูบาอาจารย์ฟังแล้วก็นั่งสมาธิไปนะเรารู้สึกสงบง่ายความจริงมันเป็นการกล่อมใจอ่ะนะได้สมถะนะได้สมถะเพราะงั้นเวลาวันไหนจิตใจฟุง้งซ่านกุ้มใจนะหาเทปครูบาอาจารย์ที่ท่านเสียงนุ่มๆหน่อยนะเสียงก็โชกโขก ห, หากฟังแล้วไม่สงบนะเอาเสียงนุ่มๆฟังแล้วแหมมันเคลิม้มสบายมีความสุข ได้ได้พักผ่อนเฉยๆไม่ได้อะไรเท่าไหร่หรอกแต่ว่ามาหัดดูของเรานี่ใจของเราตอนนี้เป็นยังไงใจเราหลุกหลิกขึ้นมานี่ไม่มีเทปจะฟังแล้วมันหลุกหลิกห ล, กลกมันหงุดหงิดมันลำคาญ ร, รู้ว่าลำคาญ ร, รู้ลงปัจจุบันไปนต้องพึ่งตัวเองให้ได้นะของเราพึ่งเทคโนโลยีมากไปสมัยพุทธกาลไม่มีท่านเอากายเอาใจนี่แหละเป็นอุปกรณ์ในการปฏิบัติธรรม รอะเรายุคนี้อุปกรณ์เยอะนะมีเอ็มพีสามเอ็มพีสี่ก็มีใช่ไหม <c oughs> มีสารพัดเลยมันจะทำให้เราอ่อนแอลงเรื่อยๆนะเราต้องพึ่งพาสิ่งภายนอกมากขึ้นมากขึ้นในขณะที่อุปกรณ์ที่พระพุทธเจ้าสอนเราในสติปัฏฐานใช่ม <c oughs> มีแต่กายกับใจนี่พอไปไหนเราก็หิ้วกายหิ้วใจไปนะแล้วหิ้วเครื่องฟังเทปฟังเอ3มพีสามพอถานหมดแล้วหมดสภาพแล้วอย่างนั้นใช้ไม่ไหวนะ ก, การทำมัทสการของพ่อนะครับคือผมปฏิบัติมาสักภากหนึ่งใหญ่ๆแล้วอนะครับปัญหามันก็คือว่าผมมีนคนคิดมากทีนี้ตอนหลังๆนี้ปฏิบัติสักสองเดือนมั น, นี้มีความรู้สึกว่าสมองมันจะไม่รับรู้อะไรเลยมันจะว่างๆมันจะว่าเราเราจะไม่คิดไม่รับรู้คืออย่าไปฝึกเพ่งใส่สมองอย่าไปฝึกเพ่งใส่ความคิดนะถ้าเราไปเพ่งใส่สมองใส่ความคิดมันจะไม่ค่อยยอมคิดอะไร แต่ว่าถ้าให้มันคิดไปพอมันคิดแล้วเราเกิดความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกดีรู้สึกร้ายเนี่ยเราคอยตามดูอย่างนี้ถ้ามันมีธุระจะคิดมันก็จะคิดแต่ถ้าไม่มีธุระจะคิดน่นมันไม่ค่อยยอมคิดอะไรละมันรู้สึกว่าคิดแล้วเสียเวลาเป็นเรื่องปกตินะถึงภาวนาถูกนะถึงจุดหนึ่งใจมันขี้เกียจคิดแล้วสมาธิมันจะล้าขึ้นมาหลวงพ่อครับเราไอ้ตัวที่ว่าจิตกับความคิดเนี่ย ผมแยกไม่ออกว่าไอ้ตัวที่มันกระทบนี่มันเป็นจิตหรือมันเป็นที่เราคิดไปเองก็ไอ้ตัวที่หลวงพ่อบอกว่าคือตัวจิตไม่เป็นตัวรู้จิตเป็นตัวรู้ความคิดเรื่องราวที่คิดเนี่ยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะลองค่อยๆแยกดูอย่างตอนนี้รู้สึกไหมมันมีเรื่องที่เรารู้เรื่องเรื่องที่เราคิดนะในขณะเดียวกันไอ้เรื่องราวที่เราคิดเนี่ยเป็นสิ่งที่ใจเราไปรู้เข้าถ้าแยกอย่างนี้ออกก็จะรู้อันไหนจิตอันไหนความคิดแล้วที่หลวงพ่อบอกว่าจิต พอราพอเรากระทบเสร็จแล้วเราจะภาคเนี่ยมันจะขึ้นมาเองว่าเออมันเป็นร่น<ล>างฐ<ข> า, าเรื่มนอนไ อ, อ้ทุ น, นี้เราเราจะทําไงให้มันหายไปครับทําไม่ได้นะถ้าทําได้ก็จิตเป็นอัตตาไม่ใช่อนัตตาทําไม่ได้หรอกแต่เราตามดูมันไปด้วยจิตที่เป็นกลางเพราะฉะนั้นเราบังคับอะไรไม่ได้เราก็รู้มันด้วยความเป็นกลางลูกเดียวเลยเนะช่นความโกรธเกิดขึ้นจิตมันภาคว่าอ๋อนี่โกรธแล้วย่างนี้ไม่มีปัญหาเลยนะปัญหามันจะอยู่ตรงที่เราไปช่วยมันภาคตอ่อ เช่นพอมันโกรธขึ้นมาจิตบอกว่านี่โกรธแล้วแต่จากนั้นเราภาคต่อความโกรธไม่ดีนะอย่าไปโกรธมันเลยนะนี่หลงจากการปฏิบัติล ะ, ะเพราะงั้นจิตจะปรุงแต่งไม่เป็นไรอย่าไปปรุงแต่งมันซะเองกราบนรมัส ก, การหลวงพ่อครับตอนนี้รู้ว่าตื่นเต้นครับ <c oughs> ก็ตอนนี้ก็ปฏิบัติฝึกดูจิตมาได้ประมาณ3เดือนครับก็เริ่มต้นก็จะเห็นความเผลอ ตอนนี้เริ่มเห็นว่ามันเผอเยอะมากมเราปัจจุบันก็เห็นกิเลสเห็นความอยากที่มันผุดขึ้นมาในตรงกลาง ร, ระหว่างใจครับแต่จะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่รู้สึกว่าเวลาที่พูดบ่อยๆแล้วจะเผอนานครับตอนนี้ก็บางทีก็จะเห็นว่าสภาวะบางสภาวะก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ก็รู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปครับแค่นั้นพอละนะไม่ต้องรู้รว่าคืออะไร รู้แค่ว่าสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเท่านั้นพอละแล้วการภาวนาเนี่ยพอสติเราวัยขึ้นไวขึ้ น, นเราจะเห็นเผลอทียิบเลยแต่ว่าไม่ใช่จะเห็นอย่างนั้นได้ทุกวันบางวันจิตใจเราก็ฟุ้งซ่านขึ้นมาจิตใจไม่ได้ตั้งมั่นทุกวันเองบางวันจิตใจฟุ้งซ่านมาดูไม่เป็นแล้วะนั้นการปฏิบัติเนี่ยบางวันเหมือนภาวนาดีนะเหมือนมรรคผลนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาละอีกวันหนึ่งเหมือนคนภาวนาไม่เป็น พอภาวนาไม่เป็นนะเกิดสภาวะนั้นขึ้นมาแล้วอย่าตกใจนะพุโทโธไว้ก็ได้ทํากรรมฐานอะไรไว้อันหนึ่งนะพุโทโธเล่นๆไปเรื่อยไม่ต้องหวังว่ามันจะดีนะพุโทโธพุทโธพุทโธพอมันสบายใจรู้ว่าสบายใจเนี่ยกลับเข้ามาล้ดูต่อได้ลเพราะงั้นเวลากรรมฐานเสื่อมอย่าตกใจนะเสื่อมทุกคนแหละบางวันก็ทําได้ดีบางวันก็ทําทไม่ได้วันไหนทําไม่ได้ก็ อ, อย่าตกใจไม่เลิกนะดูต่อไป นะพุโทโธไว้ก็ได้พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆนะจิตใจสงบจิตใจมีความสุขขึ้นมาก็าตื่นขึ้นมาอีกมาดูใหมนะ่เป็นทุกคนดีที่ภาวนาอยู่ดีแล้วแต่ตอนนี้ไม่ดีนะตอนนี้หลงอยู่ดูออกไหมใช้ได้นะจิตมันตื่นแล้วกราบ น, นวัตการหลวงพ่อค่ะคื อ, อดิฉันได้ปฏิบัติทำด้วยวิธีที่ ตั้งจิตไว้ที่ลมหายใจแล้วก็เคลื่อนจิตนั้นไปตามร่างกายแล้วก็ให้ไปจับที่ความรู้สึก เ, เช่นถ้าความรู้สึกปวดที่ขาเช่นขาข้างขวาเมื่อจากการนั่งสมาธิเนี่ยก็ให้เอาจิตนี้ดูนิ่งๆแล้วก็ได้รับคําแนะนําว่าต้องไม่ขยับแล้วความเจ็บนั้นจะหายไปเองเออได้ทําวิธีนี้มา2ปีแล้วก็ความเจ็บนั้นก็ไม่หายคือก็คือยังปวดที่ขาข้างขวาอยู่ ปวดตลอดเวลาทุกครั้งที่ปฏิบัติ อ, อยากจะขอคําแนะนำอยากจะถามหลวงพ่อว่าวิธีนี้เป็นสมถะหลว ง, งพ่อยินดีด้วยนะที่ยังรู้สึกปวดอยู่คุณคะพ่ออะไรเพราะมันต้องปวดนะไม่ใช่ภาวนาให้มันเหนือธรรมดานะแต่เราภาวนาเพื่อให้เห็นเลยร่างกายที่เจ็บที่ปวดเนี่ยเป็นของห้ามไม่ได้ความเจ็บความปวดก็เป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้ ไม่ใช่ไปฝึกให้หายนะเราไม่ได้ฝึกกรรมฐานเพื่อให้ขันหายไปแต่เราฝึกกรรมฐานเพื่อให้รู้ความจริงของขันแต่ละขันอย่างเวทนาอย่างเงี้ยมันมีเหตุมันก็เกิดแม้เราไปนั่งนิ่งนานๆมันก็ปวดขึ้นมามันมีเหตุนั่นเองมันก็เกิดขึ้นมาค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็เรียนถามอาจารย์ที่วิธีปฏิบัติท่านบอกว่ายังมีโทสะอใน อาการปวดขาข้าขวาคือยังมีโทสะถ้าอย่างนั้นอาจารย์สอนดีเหมือนกันแต่จนปัจจุบันนี้ก็ยังไม่หายค่ะเจ้เรียนถามท่านว่าหายไม่ได้นะแนะนำให้ปฏิบัติวิธีนี้ต่อไปอีกหรือเปล่าคะอนั้นแล้วแต่พูดไม่ได้หรอก <c oughs> คือเราภาวนานะเพื่อให้เห็นความจริงของขันนะของกายรูปเบทนาสัญญาสังขารวิญญาณของจิตใจอะไรเงี้ย เพื่อให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันบังคับไม่ได้เราไม่ได้ฝึกเพื่อจะดัดแปลงขันดัดแปลงเวทนาดัดแปลงจิตไม่ได้ฝึกอย่างนั้นถ้าเราจะฝึกรู้เวทนาเนี่ยอันแรกสุดเลยเราต้องทำสมาธิก่อนนะเช่นเรารู้ลมหายใจรู้อะไรจนียะทั้งจิตของเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเมื่อจิตของเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วเนี่ยเรานั่งสมาธิไปเราก็เห็นว่าร่างกายนี้นั่งอยู่ ต่อามาเวทนาคือความปวดความเมื่อยเนี่ยแทรกเข้ามาในร่างกายเราก็เห็นว่านี่กายก็ส่วนหนึ่งนะเวทนาก็อีกส่วนหนึ่งจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูเวทนาผู้รู้ผู้ดูกายนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแยกออกจากกันนี่พอเวทนามากขึ้นมากขึ้ น, นจิตมันไม่ชอบโทสะมันก็เกิดให้เรามีสติรู้ว่าโทสะเกิดขึ้นโทสะก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งโทสะไม่ใช่กายไม่ใช่เวทนาแล้วก็โทสะก็ไม่ใช่จิตเนี่ยฝึกอย่างนี้เราจะเห็นขันห้ากระจายตัวออกไป เราขันกระจายตัวออกไปแล้วเราจะเห็นว่าขันแต่ละขันนั้นมันไม่ใช่ตัวเราคุณดูออกไหมเวทนาก็ไม่ใช่ตัวเราเราสั่งมันไม่ได้เวทนาจะเกิดมันก็เกิดเวทนาไม่ใช่คนดูออกไหมเวทนาไม่ใช่สัตว์เวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเวทนาเป็นแค่สภาวะธรรมอันหนึ่งเนี่ยการที่เรามาหัดรู้ขันแต่ละขันนะก็เพื่อให้เห็นสภาวะความจริงว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ฝึกเพื่อให้ไม่มีเวทนานะถ้าอย่างงั้นต้อง บล็อกเส้นประสาทที่ก้านคอเนี่ยบล็อกซะต่อไปนี้นั่งนานแค่ไหนก็ไม่เมื่อยแล้วนะเราไม่ได้ฝึกเพื่อสิ่งนั้นไม่ได้ฝึกเพื่อให้ร่างกายไม่มีเวทนาแต่ฝึกเพื่อให้เห็นว่าไม่มีเราเลยไม่มีเราไม่มีเขากายเวทนาจิตธรรมไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ฝึกเพื่อให้เห็นอย่างนี้ได้อย่างนี้จะได้พระโสดาบัน แล้วตามรู้กายเวทานาจิตทําต่อไปอีกนะรู้ไปเรื่อยๆจะเห็นเลยทุกอย่างเกิดแล้วดับหมดเลยทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างเป็นทุกข์ทุกอย่างบังคับไม่ได้อย่างร่างกายเราไม่ใช่เป็นทุกข์บ้างสุขบ้างนักสติปัญญาแก่ร่ำนั่เห็นแต่ทุกข์ล้วนๆเลยนะร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นตลอดเวลาเลยจิตใจก็เป็นทุกข์ตลอดเวลาเพราะจิตใจทํางานตลอดเวลาจิตใจมีความอยากเกิดขึ้นตลอดเวลาแล้วเราก็เค้นตัวเองตลอดเวลาเห็นแต่ทุกข์ล้วนๆเลยนะพอเห็นทุกข์ล้วนๆนี่จิตถึงจะยอมปล่อยวาง ถ้ายางเห็นทุกข์บ้างสุขบ้างไม่ปล่อยวางหรอกนี่เรียนเพื่อเพื่อสิ่งนี้นะไม่ใช่เพื่อดับเวทนาังั้นที่อาจารย์สอนก็ดีเหมือนกันนะอาจารย์สอนบอกว่าจิตเราไม่เป็นกลางเนี่ยจิตเราอยากให้เวทนาหายนะแสดงว่ามันมีโทสะถูกต้องที่อาจารย์สอนแต่ก็ต้องตั้งหลักให้ดีว่าที่เราไปดูอยู่นะไม่ใช่เพื่อให้เวทนาหายแต่เพื่อให้เห็นว่าไม่ใช่เรานะถ้าตั้งเป้าผิดนะภาวนาผิดน้ำมันสกานท่านอาจารย์ครับ ผมฟังเทปของครูบาอาจารย์มาหลายท่านนะครับตอนนี้ก็ปฏิบัติทางด้านดูเวทนาด้วย่ถ้าถ้าเกิดว่าเราสลับมาดูทางด้านจิต ด, ด้วยเนี่ยผสมกันเนี่ยไม่ทราบว่าจะเหมาะไหมครับในความเป็นจริงมันผสมอยู่แล้วถ้าเราภาวนาถูกต้องนะเพราะว่าสภาวธรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะแต่ละขณะมีครบเลยกายเวทนาจิตธรรมมีอยู่แล้ว งันแล้วสติก็เป็นอนัตตาบางครั้งสติก็ระลึกรู้กายบางครั้งสติระลึกรู้เวทนาบางครั้งสติระลึกรู้จิตเราก็เลือกไม่ได้เราเลือกไม่ได้อยู่แล้วนะเพราะงั้นการดูเวทนายมจับหลักที่อาจมาบอกคุณผู้หญิงตะกี้ให้แม่นๆก็แล้วกันดูเวทนาไม่ใช่เพื่อละเวทนาดูเวทนาเพื่อให้เห็นว่าเวทนาก็ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตานะเวลาเรารู้เวทนาเนี่ยมันก็รู้จิตด้วย เล้วพอเรารู้เวทนาไปเรื่อยเราเห็นเวทนามันไม่ใช่จิตเวทนากับจิตเนี่ยคนละอันกันเสร็จแล้วเราก็เห็นอีกพอเวทนามันแรงกล้าจิตมันไม่สบายจิตมันโมโหขึ้นมามันหงุดหงิดขึ้นมาอย่างคนพอร่างกายเจ็บป่วยใจมันหงุดหงิดเราก็รู้ทันความหงุดหงิดในใจเรานี่ก็เป็นขันอีกขันนึ่งละความหงุดหงิดนี้ก็ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาอีกแล้วเดีดูไปเรื่อยๆนะมันจะถอดถอนความเห็นผิดว่ามีเรามีเขาได้ พระโสาบัญคือคนที่ถอดถอนความเห็นผิดตัวนี้ได้นั่นเองครับไม่มีข้อครับคือเวลาที่เราฟุ้งซ่านมากนะครับผมยังลังเลใจอยู่ว่าจะดูลมดีหรือว่าจะภาวนาพุโทโธดใีให้รู้ว่ากาลังให้รู้ว่ากําลังสงสัยอยู่นะเพราะว่าปัจจุบันอารมณ์ของเราคือสงสัยพอรู้ว่าสงสัยความสงสัยดับไปแล้วเราก็ดูใจที่ฟุ้งซ่านอยู่ เราก็จะเห็นเลยใจที่ฟุ้งซ่านเราก็ห้ามมันไม่ได้ความฟุ้งซ่านไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนไม่ใช่เราไม่ใช่เขามันเกิดขึ้นมาแล้วมันตั้งอยู่แล้วมันก็จะหายไปใจก็จะสงบอันนี้ดูแก้ความฟุ้งซ่านได้แต่มันแก้ได้ด้วยวิปัสสนามจริงๆไม่ใช่แก้มันหรอกไปรู้ทันมันมันก็หายฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านเป็นอกุศลพอจิตมีสติขึ้นมาอกุศลก็ดับเป็นธรรมดานี่ใช้วิปัสสนาเพราะเราเกิดสติปุ๊บไปรู้สภาวะของมันมันดับเอง อีกงานหนึ่งใช้สมถะสมถะเราก็เลือกเอาว่าอารมณ์อันไหนที่เรารู้แล้วสบายใจเราก็เอาอันนั้นมาทําสมถะบางคนเคารพรักพระพุทธเจ้ามากศรัทธาพระพุทธเจ้ามากนะเวลาใจฟุ้งซ่านนะคิดถึงพระพุทธเจ้าไว้บางคนนะเป็นคนหลงโลกมากเนี่ยหลงโลกมากรุนแรงคิดถึงความตายแล้วใจมันสลดลงมาใจสงบลงมาแล้วก็ใช้ความพิจารณาความตายเราเลือกเอาอารมณ์ที่มันเหมาะกับเรานะ แต่เคล็ดลับของการทําสมถะคือสบายนะต้องสบายจับตัวนี้ให้แม่นแล้วง่ายและไม่ต้องเหนื่อยเหนื่อยมากหลวงพ่อแต่ก่อนเหนื่อยมากเลยนะอ่านเพราะว่าครูบาอาจารย์แต่ก่อนบอกนิดเดียวไม่บอกเยอะกราบนาา้ำมศการหลวงพ่อคะ่ะ อ, อ, อยากถามเรื่องเกี่ยวกับการตามดูความคิดนะคะอยากให้หลวงพ่ออธิบายเพิ่มเติมคะ่ะ ว่าบางครั้งเวลานั่งสมาธิแล้วมันมีความคิดแต่ว่ามันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องงานแล้วบางทีเราก็จะรู้สึกสนุกไปกับมันแต่ก็จะงงว่าเราควรจะหยุดหรือว่าคือควรจะกําหนดรู้แล้วมันให้มันดับไปหรือว่าควรจะคิดต่อไปได้เรื่อยๆไ ม, ไม่ไม่ได้กําหนดรู้ให้ดับนะถ้ากําหนดรู้ให้ดับมันคือฝึกความเป็นอัตตาตัวตนที่เราจะบังคับได้ยิ่ยงฝึกนานยิ่ยงเก่งกูเก่งกูเก่งมันจะเกิด ในขณะเดียวกันแล้วไม่ได้ฝึกให้ตามมันไปเรื่อยๆถ้าเรามีธุระจะต้องคิดเราก็ตั้งใจคิดให้รู้เรื่องคิดให้จบถ้าเรานั่งภาวนาอยู่จิตไหลไปคิดเนี่ยอย่าไปดูความคิดให้ดูจิตให้รู้ว่าจิตกําลังแอบไปคิดอยู่ดูที่จิตนะไม่ใช่ดูที่ความคิดนะหลวงพ่อได้ยินพวกเราพูดสองสามคนแล้วเรื่องดูความคิดหลวงพ่อไม่ได้สอนให้ดูความคิดพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนให้ดูความคิดนะ ไม่มีให้ดูความคิดท่านให้ดูกายเวทนาจิตธรรมดูจิต ท, ที่คิดไม่ใช่ดูเรื่องที่คิดสองอันนี้ไม่เหมือนกันอย่างตอนนี้คุณหนีไปคิดคุณทราบไหมแต่สิ่งที่คุณรู้คือเรื่องที่คิดใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยคุณไม่รู้ว่าจิตแอบไปคิดสิ่งที่หลวงพ่อแนะนำให้คุณรู้คือรู้ทันว่าเนี่ยจิตแอบไปคิดอีกแล้วรู้ว่าจิตแอบไปคิดไม่ใช่รู้เรื่องที่คิดนะสองอันนี้ต่างกันมากเลย รู้เรื่องที่คิดอย่างมากที่สุดได้สมถะอย่างเลวร้ายคือเกิดอกุศลมากมายรู้ว่าจิตไปคิดเนี่ยคือวิปัสสนาจะทําวิปัสสนาได้เราจะเห็นว่าจิตมันแอบทํางานได้เองมันแอบไปคิดได้เองเนี่ยตอนนี้มันแอบไปคิดอีกแล้วทราบไหมเนี่ยดูอย่างนี้นะไม่ใช่ดูเรื่องที่คิดดูผิดตัวนะดีแอบไปคิดอีกแล้วรู้ไหมเห็นไหมในเวลาหนึ่งวินาทีสองวินาทีไปได้อีกแล้เนี่ยไปอีกแล้วรู้สึกไหม นหลวงพ่อให้ดูตัวอย่างนะในห้าวินาทีไปหลายหนเพราะวันหนึ่งวันหนึ่งะกิเลสเกิดนับไม่ถ้วนเลยนะอย่างใจที่หลงไปคิดถามมันเป็นกิเลสตัวไหนมันคืออุท ธ, ธัจจะเป็นกิเลสตระกูลโมหะจิตฟุ้งสั้นเนี่ยฟุ้งสั้นแล้วคนโบราณแปลไว้ดีนะฟุ้งสั้นมันฟุ้งขึ้นมาก่อนแล้วมันก็สั้นไป สั้นไปในอารมณ์โ น, น้นสั้นไปในอารมณ์นี้คนไทยโบราณนะดูจิตเก่งแน่ๆเลยตั้งศัพท์มาแต่ละตัวแต่ละตัวนะ้มันตรงสภาวะเนี่ยไปแล้วเห็นไหมนี่ก็ไปแล้วรู้สึกไหม mm hmm. นี่ก็ไปเหมือนกันไปหมดนั่นแหละนะ <c oughs> เอาเมาเหมา <c oughs> ตอนนี้เยอะไปนะโยมเยอะไปตอนหลวงพ่ออยู่มังการวันหนึ่งสิบคนยี่สิบคนอย่างมากสามสิบคนเลยเนี่ย หลวงพ่อดูให้ทีละคนพาดูสภาวะอัดดูสภาวะแต่ละคนแต่ละคนดูไปดูของตัวเองไปเดี๋ยวนี้พอคนมากๆหลวงพ่อไม่มีเวลาจะมาไล่ดูพวกเราทีละคนพวกเราต้องช่วยตัวเองฟังซีดีนะซีดีหลวงพ่อฟังแล้วไม่เหมือนที่อื่นนะหลวงพ่อกล้ารับรองเลยฟังแล้วตื่นนะส่วนใหญ่ที่ฟังแล้วเคลิมเนี่ยมีน้อยรายยังไม่เคยได้ยินนะแล้วฟังหลวงพ่อพูดแล้วเคลิมเนี่ยค่อนข้างอัจฉริยะที่ฟ้าประทานในรอบร้อยปีอย่านนั้น พูดแบบสำนวนจีนหน่อยนะจุดจีนคนที่ฟังแล้วตื่นขึ้นมานับไม่ท้วน น, นับไม่ถูกลนะนั่นฟังบางคนเปิดนั่งรถนะฮเปิดไปเปิดไปเปิดไปนะลูกภาวนาเป็นเด็กไม่ได้เจตนาฟังนะไอพ่อหรือแม่ตั้งใจฟังไม่รู้เรื่องหรอกอนันตั้งใจมากไปเด็กมันฟังฟังฟังไปเรื่องมัน ค, ค่อยค่อยแอบสอบค่อยค่อยรู้สึก รู้ทันนะที่วัดหลวงพ่อบางวันจะมีเด็กมาเวลาเด็กส่งกันบ้านนะน่าฟังกว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ส่งกันบ้านเนะี่ยชอบตกแต่งคำพูดให้หรูหรามาตั้งแต่หน้าวัดนะแต่เด็กมันไม่มีนะมันว่ากอมันซื่อนะจริงๆเราง่ายนะง่ายกรรมฐานไม่ได้มีอะไรมากอ้าวหมดยัง <Yes. S 1> เดี๋ยวหลวงพ่อโฆษณาหน่อย ซีดีแผ่นที่16นะใกล้จะออกแล้วนะโยทําต้นฉบับเสร็จแล้วนะได้ไปแล้วพยายามไปฟังนะจะเป็นเรื่องของอริยสัจล้วนๆเลยอริยสัจเนี่ยเป็นธรรมะที่สําคัญที่สุดนะผู้ใดรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจเนี่ยนะถึงจะข้ามพบข้ามชาติได้ถ้าไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจเนี่ยจะต้องเวียนและไห้ตายเกิดไม่เลิกหรอกอริยสัจข้อแรกคือทุกข์นะทุกข์คือกายกับใจของเรานี่เอง หน้าที่ต่อทุกคือการรู้นี่พระพุทธเจ้าสอนละเอียดนะทุกให้รู้ทุกคืออะไรทุกคืออุปาทานขันทั้งห้าคือกายกระใจนี่เองท่านบอกไว้ละเอียดนะว่าทุกก็คือขันห้าหน้าที่ต่อทุกคือการรู้เพราะฉะนั้นหน้าที่ต่อทุกไม่ใช่การเพ่งไม่ใช่การละไม่ใช่การกำหนดนะพยายามไปเห็นเวทนาขึ้นมาอยากให้หายนี่ทผิดหน้าที่งั้นต้องรู้ทุกนะรู้กายรู้ใจถ้ารู้แจ้ง บันไดก็ข้ามภพข้ามชาติเพราะมันจะหมดความยึดถือกายยึดถือใจถ้าไม่รู้ทุกยังเห็นว่ากายกับใจเป็นของอัเด็ดอร่อยของดีของมิเศษปล่อยวางไม่ได้ข้ามภพข้ามชาติไม่ได้ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกว่าใจมันหิวใจมันหิวนะมันก็ตะเกียกตะกายไปเกาะอารมณ์โน้นทีเกาะอารมณ์นี้ทีเกาะรูปเกาะนามขึ้นมาอีกจิตใจที่ประกอบด้วยอวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจไม่รู้ทุกเนี่ยเหมือนมเมล็ดพันธุ์ของต้นไม้พร้อมที่จะปลิวไปงอก เกิดชีวิตขึ้นมาใหม่อีกภพบชาติจะไม่มีวันสิ้นสุดเลยแต่ถ้าคนใดเข้าใจอริยสัจคือทําลายเชื้อเกิดของมันได้ละจิตนี้จะไม่มีเชื้อให้เกิดอีกแล้วเราก็จะมีชีวิตส่วนที่เหลือเนี้ยยังมีความสุขมีความสุขที่สุดเลยนะไม่ใช่สุขแบบเออเอานะในประเภทสุขเนี้ยมีความสุขคนบ้ามันก็มีนะอย่างนั้นอะ่ะไปดูสีัรญะก็เห็นพระอรหันต์แบบนั้นเยอะแยะเลยนะมันไม่ใช่นะมันมีความสุขหยุด ตอนหน้าต่อตานี้เลยนะสติสัมปชัญญะบริบูรณ์อยู่อย่างนี้เลย mm. ค่อยฝึกนะค่อยฝึกาศาสนาพุทธนะถ้าเราเรียนจนเข้าใจอริยสัจนี่เราได้เนื้อหาสาระที่แท้จริง mm. เพราะการรู้อริยสัจนี่เราเรียกว่าสัมมาทิฏฐิสับใดที่ยังมี mm. คนศึกษาเล่าเรียนคนรู้อริยสัจอยู่าศาสนาพุทธยังอยู่ mm. ถ้าเมื่อไร่คนลืมอริยสัจนั่นคือาศาสนาพุทธหายไปแล้ว mm. ทุกวันนี้เราไม่พูดเรื่องอริยสัจกัน เราบอกว่าให้รู้รูปนามใช่ไหมเสร็จแล้วเวลาสอนจริงๆให้ไปเพ่งรูปนามไม่ได้ให้รู้นะให้ไปเพ่งให้ไปกําหนดให้ไปละนะเพ่งกําหนดละนี่มันควรละเรื่องกับการรู้เลยรู้มีสติไปรู้มีสติเกิดขึ้นมาเพราะจําสภาวะได้ไปรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางก็จะเห็นสภาวะตรงความเป็นจริงไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนนี่เรียกว่ารู้ทุกรู้ทุกก็คือรู้ว่ากายนี้ใจนี้นะ เป็นของไม่เที่ยงหรอกเป็นของที่เป็นทุกข์ล้วนๆเป็นของที่ไม่ใช่สัตว์คนไม่ใช่เราไม่ใช่เขารู้ละ ว, วางได้ถ้าไม่รู้อย่างนี้ไม่วางหรอกไม่วางจิตก็หยิบฉวยก็ก่อทุกข์ก่อพบก่อชาติไม่รู้จักจบนะพักเพียรเอานะพักเพียรเอาได้ฟังธรรมะนะเป็นมงคลของชีวิตที่สุดแล้วเราฮักเพียรได้ฟังแล้ว